ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องสมาธิและสัมมาสมาธิโดยพ่อท่านโพธิลักษ์เมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2533เนื่องในงานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารของพุทธครั้งที่14ณพุทธสถานสาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้และ ส, สัมมาสมาธินะที่ให้ชื่อว่าสมาธิและสัมมาสมาธินั้นมันรวมไว้หมดนะอาณาปานสติภาวนาก็จะอยู่ในนี้แล้วก็เรื่องสมาธิที่เราจะทำอย่างอาณาปานสติก็ดี เราก็จะพึงเรียนรู้ฝึกฝนกันจริงๆในเรื่องของสัมมาส ม, มาธิก็จะอธิบายประกอบความจริงเราก็เรียนสัมมาส ม, มาธิกันมาตลอดส่วนสมาธิที่เราจะมานั่งที่เรียกเราเรียกกันว่าเจโตสมถะ tha จะทําอย่างสมาธิที่ส่วนทั้งหลายทั้งแหลกส่วนกว้าง ที่คนทั่วไปเขาเรียนกันน่ะบอกว่าสมาธิเขาเรียกภาษาอังกฤษกันว่า m e d i t a t i o นสมาธินี่ i t a t i o n แล้วก็เวลาก็จะทำก็จะต้องเข้าไปอยู่ในผวังนั่งหลับตาแล้วก็ไปอยู่ในผวังเมื่อสติตื่นเต็มตัทวานทั้งห้าไม่รับรู้นะไม่รับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย มีแต่ความรับรู้อยู่ทั้งในเท่านั้นเราเรียกว่าอยู่ในภวังก็ถือว่าอย่างนั้นแหละเป็นสภาพที่เขาไปสู่ฌา น, นเขาไปสู่ฌานแล้วก็มีองค์ประกอบที่เป็นเงื่อนไขยอยู่บ้างว่าในขณะที่เข้าไปอยู่ในผวังนั้นจิตใจก็จะต้องเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกคตารม โดยไม่ไปคิดถึงกามไม่ไปคิดถึงพยาบาทไม่ง่วงเงาหานอนไม่เสื่อมซึมอะไรเป็นสติเต็มอยู่ข้างในแล้วก็จิตใจไม่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องหลายเรื่องต้องมีเรื่องเดียวเรียกว่าเอกคตารมมีอารมณ์อยู่ในเรื่องเดียวในสภาพที่อยู่ในภวังนั่นแหละเห็นอย่างชัดเจนไม่สงสัย ไม่มีความรำคาญใจไม่มีความทุกข์ใจอะไรมีอารมณ์ที่อยู่ในสภาพที่สบายอ่แล้วก็อยู่ในสภาพอย่างนั้นแะนั่งอยู่ในผวังข้างนอกจะเป็นยังไงไม่รู้เรื่องสบายของเราคิดนึกอะไรส่วนหนึ่งของเราอยู่ในนั้นถึงมีเงื่อนไขประกอบได้ว่าย่าให้เป็นกามอย่าให้มีความนึกคิดนั้นไปในทางกามทางพยาบาท และอารมณ์ของจิตก็ยังไม่ฟุ้งซ่านเกิดเด่นกระดอนอะไรอยู่ในเรื่องที่รับรู้อยู่ในภาวะอย่างนั้นไม่ง่วงเหงาห้านอนไม่เสื่องซึมสติเต็มคําว่าวิจิกิจฉานะเขาก็แปลกันไปหลายอย่างหลายในเขาแปลตั้งแต่ว่าไม่วิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปโน่น อ, อธิบายกันว่าไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วก็ไม่สงสัยที่จริงนะ่ะไม่สงสัยคำนี้วิจิกิจช้าคำนี้เป็นเงื่อนไขของความเป็นฌานหนึ่งหนึ่งเนี่ยเนี่ยมีหมีการพยาบามทีนมิทะอุทิจักกุกุจักและ็วิจิกิจช้าเนี่ยคำว่าวิจิกิจช้าไม่สงสัยเนี่ย คือเราจะต้องรู้นั่นเองรู้อย่างชัดเจนนั่นเองไม่สงสัยรู้เห็นรู้แจ้งเข้าใจแล้วการรู้เป็นการรู้อยู่เห็นอยู่อย่างไม่มีข้อเถียงข้อโตคาว่าวิจิกิจชาเนี่ยมนรู้เห็นอะไรรู้เห็นของจริงตามความเป็นจริงเรารู้ว่ากามคืออะไรอาการของกามพยาบาทคืออะไรอาการของพยาบาทคืออะไรเรียกว่ารูปนามที่เราเรียนกันมาแล้วนะ เรียนกันมาแบบสัมมาสมาธิเราเรียนรู้จิตเจตสิกรู้อารมณ์ของจิตกามมันมีอยู่ในอารมณ์ของจิตไม่พยาบาทมีในอารมณ์ของจิตไม่ลักษณะอย่างนี้เราถวถีนมิตะง่วงเสื่องซึมกระด้างอะไรอยู่แล้วแต่ที่เราก็อาธิบายกันมามากๆว่าอาการมันไม่โปรง่งไม่ใสแล้วก็ทั่งอุทจักกุกุจัก มันมีความฟุง้งซ่านมันมีความราคาญใจมันมีความคิดนึกที่มันไม่เป็นหนึ่งเดียวไม่เป็นเรื่องที่เป็นสารัฐะอะไรที่เราต้องการอยู่อย่างนั้นเราจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้แหละด้วยความเป็นจริงอย่างชัดเจนไม่ค่องใจไม่สงสัยว่านี่คือสภาพชานนี่คือสภาพที่ไม่มีนิวรคือสภาพของการปราศจากนิวร์เป็นสภาพชานแท้ ที่เราเรียนกันมาด้วยสมาสมาธินั้นนะจะหลับตาหรือไม่หลับตาจะเห็นรูปแต่ไม่มีสภาพของนิวรณ์เหล่านี้จะได้ยินเสียงจะได้กลิ่นดีไม่ดีได้กลิ่นตุยๆอยู่ในจมูกสะดือซ้แเราก็ไม่มีใจเอาอากาตพยาบาทอะไรไม่มีความโกรธความเคืองอะไรแม้จะไปกลิ่นนั้นไม่ใช่ของเรา ของคนอื่นทํามาให้ดมก็ตามก็เฉยๆนะจิตใจไม่โกรธไม่เครืองไม่ได้อะไรถือสาอะไรก็ถือเป็นธรรมดาธรรมชาติอะไรงี้เป็นต้นจิตไม่มีความไม่สบายใจจิตไม่มีสภาพที่เรียกว่าเป็นกามเป็นราคะไม่ชอบไม่ชังใจก็ไม่จิตใจก็ไม่ได้ง่วงงุนเบิกบานร่าเริงไม่ได้ซึมเศร้าไม่ได้หดหู่อะไรเลยทีนมิตะไม่มี ไม่ฟุ้งซ่านอะไรอยู่ในเรื่องที่เรากําลังคิดอะไรที่มันเป็นการสร้างสรรค์เป็นสังกัปปะเป็นการน้ำดินึกคิดที่ไม่มีมิจฉาไม่เป็นการไม่เป็นพยาบาทไม่ได้เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนท่านอะไรหรือแม้จะพูดอยู่ในซ้ําก็เป็นสัมมาวาจาจะทําการงานอะไรอยู่ด้วยก็ตามก็ไม่เป็นไปเพื่อปานาติบาตไม่เป็นไปเพื่ออธินาทานไม่เป็นไปเพื่อ กำเมิดมิชชั่จา์อะไรกำลังประกอบการงานอาชีพอยู่อย่างดีในองค์ประกอบของการงานอาชีพบางทีนี่พ้นมิชชาชีพทั้งห้าสะดุดซ้ำในขณะนั้นนะบางคนมีอาชีพพ้นมิชชั่ทีพห้าอย่างถาวรบางคนชั่วครั้งชั่วคราวก็ตาม ในขณะนั้นเป็นฌานแน่ๆเลยแล้วฌานอย่างสูงส่งด้วยเป็นสัมมาสมาธิอย่างดีเลยอย่างนี้เราก็เรียนกันมาแล้วจะในฌานในสมาธิทั่วๆไปที่นั่งเขาอยู่ในพอวังนี้เขาก็อธิบายวิจิกิจฉากันไปนานาสารพัดอย่างที่ว่านะเาเราเนี่ยวิจิกิจฉาคือไม่ได้สงสัยเลยว่าลักษณะฌานคืออย่างนี้จะลืมตาก็ตามหลับตาก็ได้ นี่ก็คือวิจิกิจฉาที่ไม่วิจิกิจฉาเรื่องของที่รู้ที่เห็นนั่นแหละตามความเป็นจริงเป็นญาณทัศนะไม่สงสัยในญาณทัศนะของเราในขณะนั้นเรารู้เราเห็นเราแจ้งอย่างไม่วิจิกิจฉาอยังไม่สงสัยลังเลมีเป้าหมายของความไม่วิจิกิจฉาบางทีเขาก็เอาวิจิกิจฉานี่ไปอธิบายอย่างที่ว่า ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ที่จริงแล้วเขาอธิบายอยู่ที่สังโยชน์วิจิกิจชาสังโยชน์ซึ่งพระโสดาบันจะต้องมาพ้นสกายติทิพ้นศีลพุทธปรามาตพ้นวิจิกิจชานิดตัวและเขาบอกไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จริงแล้วถูกนีพระพุทธคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไร เราขณะนั้นกำลังเป็นสงสาวกพระุทธเจ้าอย่างน้อยก็มีสภาพโสดาคุณโสดาปันนะเป็นโสดาบันชั่วคราวนะในคราวนั้นในขณะนั้นจิตเจตสิก ข, ของเรานี่เป็นจิตที่ปราศจากกิเลสในช่วงนั้นอย่างรู้อย่างเห็นอย่างแจ้งเลยไม่สงสัยพ้นวิจิกิจฉาการปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราเรียนรู้โดยจารีตประเพณีรูปแบบเฉยๆ แต่เราได้ทําจิตของเรานีา่สู่วิปัสนาจิตสู่วิปัสนาก็คือจิตที่รู้เห็นรู้แจ้งวิปัสนาแปลว่าเห็นที่เขาบอกว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสนาอาตมาก็งงๆ่เหมือนกันไอความหมายของคนอื่นเขาว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสนาอาตมาไม่รู้ว่าเขายกจิตขึ้นสู่วิปัสนาอย่างไรเขาเอาจิตเนี่เอาอะไรมายกแล้วยกกันยังไงมีเครื่องยกยังไง เราอะไรยกยกขึ้นไปจังไงที่จริงถ้าเราปฏิบัติถูกเราไม่ต้องยกไม่ต้องปรองอะไรมันล็อกจิตของเราเนี่ยสภาพที่มันเข้าสู่สภาพวิปัสสนาญาณหรือเข้าสู่สภาพวิปัสสนาก็คือเห็นมียานก็คือตัวเห็นตัวรู้นั่นแหละญาณ น, นั่นแหละตัวรู้ตัวเห็นเห็นจริงๆเลยว่าเราทําจิตของเราให้ปราศจากกิเลส ปราศจากการพยาบาทที่นมิตอุทจั ก, กุกุจจะอย่างไม่สงสัยคือมันพ้นวิจิกิจฉาจริงๆมันไม่ได้สงสัยแล้วมันเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นเทียวเราทําได้ไ้าได้ขณะนี้เป็นฌานจิตเราเป็นฌานฌานนี่เป็นอุตตริมนุสธรรมนะเป็นความเหนือมนุษย์ธรรมดาที่จะทําได้เป็นคุณวิเศษของมนุษย์ที่ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆ ทำได้เจตนาทำได้ความมุ่งมา่ปรารถนาได้ทําทําอยู่ตลอดเวลาได้เท่าใดก็คือชานได้มากครั้งมากขณะเท่านั้นเท่านั้นทําให้แกตนจริงๆถูกกระทบสัมผัสตดทงตางๆหูจมูกลิ้นกายใจเห็นลาบยศสรนเสริญโลกียสุขอยู่เราก็ทําของเราอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ให้จิตของเรามีโลคโกรธหลงไม่มีการไม่มีพยาบาทนั่นเอง อย่างรู้รู้ไม่ได้หดหูไม่ได้เสียใจไม่ได้ดีใจไม่ได้ฟุ้งซ่านมีความนึกคิดที่อยู่ในกรอบมีความจําใสมีความเบิกบานร่าเริงมีความรู้อยู่ว่าจิตนี่มันเราได้ทําเราได้ปฏิบัติเราได้อบรมตนเราได้ประพฤติเราได้สั่งสมตลอดเวลาสั่งสมให้ได้บ่อยครั้งที่สุดทําอยู่อย่างนั้น เราเรีว่าเราสั่งสมฌานสั่งสมวิมุตตแล้วทําสมาธิแบบลืมตาทีนี้แบบหลับตานี่ยเขาก็ให้มันมีชั่วคราวนั่นแหละให้มันอยู่ในผวังนั่นแหละเราจะหมายเอาในขณะที่ผวังนั่งหลับตาแล้วก็อยู่อย่างงั้นให้มันเป็นได้จริงๆนะเราจะทําให้เป็นได้จริงๆลืมตามันก็ชนิดหนึ่งที่เราทําก็คงจะชํานาญอย่างลืมตากันนะ พอเราทำเนี่ยจะทำได้ง่ายได้ไม่ง่ายอะไรแค่ไหนพวคุณก็รู้ตัวเองว่ามันไม่ง่ายนักนะแต่มันก็ดูว่าเอ๊ะใจขนะนี้เนี่ยเราก็ตรวจอาการของใจของเราอารมณ์ของใจของเรามันมีกามหรือเปล่าแม้ขณะนีนะ้มันมีมั้ยอาการของกามอาการข อ, ของความรื่นรมอาการของความเสพกามรื่นรลมในรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัส ขณะนี้อากาศมันร้อนแม้ลมแผ่วพัดมามันเย็นสบายดีเหลือเกินนะนี่ก็เป็นกามชนิดนึงนะเป็นกามนะถูกสัมผัสแต่ต้องแล้วเราก็ชื่นชอบอะไรเราก็รู้วันดีแล้วก็ทำใจให้คลายาเออเราจะไปติดอกติดใจปรเดี๋ยวมันร้อนขึ้นมาก็งึดงุดงิ ด, ง ด, ง ด, ง ด, งดอึดอัดไม่ชอบอารมณ์ไม่ชอ บ, อรมมชอบหรืออารมณ์ชอบพวกนี้เราอ่านให้ละเอียดเชียว พยายามวิจัยวินิจฉัยให้ดีๆตรวจตรวจตาอ่านดีๆน้าเราจะทำจะทสัมมาสมาธิทำฌานทำสมาธิแบบที่เราฝึกหัด น, นะเราจะรู้อารมณ์พวกนี้ได้ชัดในขณะตื่นลืมตาและรู้ต่อสัมผัสข้างนอกข้างในอะไรตลอดเวลาเราจะเข้าใจกามกุณห้าเราจะเข้าใจพวกนี้วอนพวกนี้ได้ดีไปเอาแต่ตอนนั่งหลับตานะั่นนะมันง่าย แต่พวกเราไม่ง่ายตรงที่ว่าเข้าไปสู่ผวังไม่เคยได้ง่ายมันไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกมันกลายเป็นอะไรรู้ไหมพอนั่งหลับตาเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่เป็นฌานตรงที่มันหลับ <c oughs> พวกเรานี่เพอนั่งเข้าไปแล้วหลับไปเลยไม่มีสติสติตกไปเลยคุมไม่ได้ตั้งไม่เต็มอันนี้แหละคือเมดิเทชันของเราไม่เป็นสมาธิ ตามที่เขาหมายทั่วโลกเนี่ยเราไม่เป็นแม่พวกนี้เนี่ยมันแย่เต็มทีมาเป็นนักปฏิบัติทำโลกุตระแต่ไม่มีสมาธิโอ้โหฟังแล้วเสียเหลี่ยมหมดเสียแต้มมันรู้ด้วยแต้มมีเท่าไหร่เท่าไหร่เสียหมดมันไม่ได้จริงๆนะสมาธิตามที่เขาหมายนะนีนทำไม่เป็นกันอาตมาละเล่นมันักเลยไอส้สมาธิแบบเนี้ยทำจน นะอยู่ในนั้นนั่งไปมีจิตอยู่ข้างในพวังนะั่นไปข้างนอกไม่รู้เรื่องอะไรก็อยู่อย่างนั้นนะตื่นนะไม่ใช่หลับถ้านั่งหลับก็ชนิดหนึ่งทีนี้พวกเราเนะี่ยมันจะหลับมันไม่เป็นเมดิเทชั่นมันเป็นสลิปปี้ไม่ใช่แรงกูลด้วย <c oughs> ไม่ใช่สลิปปี้แลแรงกูลยสลิปปี้อโศก นั่งเขาเป็นสลิปปี้โศกไปเลยเป็นการนั่งหลับนะก็ไม่ใช่แต่พวกเราหรอกที่อื่นก็เป็ น, นในสายที่นั่งหลับตานี่ยนั่งไปนั่งไปมันก็หลับไม่ใช่นั่งชานัชานได้บงังพระเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นหลับนะ พระรัตนพุทธิเขาฝึกจริงๆนี่เขาฝึกอย่างเก่งๆนี่ที่เขาถือว่าเขาฝึกได้อย่างเก่งอย่างสายที่ฝึกกันจริงๆจังๆสายธรรมกายเป็นต้นหรือสายอะไรอะไรอื่นๆที่สายอาจารย์มั่นสายอะไรนี่าฝึกกันอจริงๆฝึกชาญอันนี้แหละฝึกสมาธิอันนี้แหละมันก็มีผลนะมีผลนะมีผลอุปการะจริงเพราะว่ามาฝึกจริงๆแล้วมันก็จะได้มีสติแล้วก็ใช้ใช้ยานหรือใช้ความ ความที่ปราศ จ, จากนิวรโ์โชคราวในตอนนั้นอ่านอารมณ์หรือนึกคิดก็จะนึกคิดได้ดีจะนึกคิดจะปรุงอะไรก็ได้ดีเพราะมันไม่มีกิเลสมากวนจมใสมาทำแม้แต่จะทำไปอย่างไรอย่างไรอีกนานาสารพัดไปแบบรูษีไปแบบเดริชานวิชา ไ, ไ, ไปแบบอะไรแต่อะมันก็เป็นพลังจิตที่สามารถฝึกรวบรวมพลังจิตให้น้มน้อมไปในอย่างที่เป็นริเดชแบบ อภิญญาอย่างนอกทางอย่างนอกพุทธนั่นนะจะเป็นอะไรต่ออะไรไปอย่างที่เขาเล่าเขาลือกันพวกเรานี่ไม่ค่อยไปศึกษาข้างนอกเขาเทลร่อย่างหนังสือที่เขาเขียนขายนอกนั้นนะมีแต่แบบนี้แหละเขาเขียนขายหนังสือที่เขามีกี่อย่างเราไม่รู้เดี๋ยวนี้อาตมาก็ไม่ได้ติดตามหนังสือโลกทิพนังสือคนเหนือโลกหนังสืออยู่ว่าไม่รู้คนเนือโลก โลกทิพย์คนเนื้อโลกหนังสือลานโพหนังสือนะโพธิยานหนังสืออริยะ เ, ออเคยได้เห็นเหมือนกันหนังสืออริยะหนังสืออะไรพวกนี้เขาอธิบายสมาธิแบบนี้ทั้งนั้นแหละเวลาจะมีพลังจิตเป็นไรอะไรเาก็อธิบายไปแบบนี้ทั้งนั้นนะพิลึกพิลืออะไรไปมากม า, กายกายกองพวกเรานี่มันไม่มีอย่างนั้นพวกเราไม่เล่นเพราะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้า พบุรุษจาท่านสอนว่อิทฐิปาติหาริยก็ดีอเทศนาปาติหาริก็ดีอย่างนั้นน่ยอย่ามายุ่งยิ่งเป็นสมณะเป็นพระแล้วเสร็จนี่อย่าไปทำเลยแสดงพับนี่ยถือว่าอาบัตไปสแสดงไปมีไปอะไรอะไรไม่ต้องไม่ต้องสังสมไม่ต้องสังสมถ้าเผื่อว่าผู้ใดมีบา ร, รมีมีการได้ฝึกปรือมันเป็นของมันเองเพราะาเราก็ฝึกปรือบ้างฝึกปรือแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เทียบเคียงว่าเอออย่างนี้เขาเป็นจริงๆรินะเขาเป็นจริงๆแล้วเขาก็ถือว่าเขาเป็นเขาได้ เขาจริงจังของเขาเหมือนกันนะอย่างธรรมกายเนี่ยพอนั่งแล้วเขาก็ตั้งปั่นโนมณมโน ม, มยตตาที่เรียกว่ารูปที่สําเร็จด้วยจิตนะเขาก็ปั่นพอปั่นเสร็จแล้วมันก็เป็นรูปเป็นเรื่องอะไรต่ไปเป็นวิมานอย่างที่ว่านั่นนะไอ้ที่เราเป็นนิยายประำป ร, ะรากันไปสู่ไปสู่อะไรอะดาวดึงนะ ไปสู่ดาวดึงเป็นสู่เมืองสวรรค์อะไรไปเห็นสะอนุดาดมีต้นปริชาตมีกลิ่นปริชาตอะไรหอมมันก็รู้สึกหอมจริงๆนะคุณหอมน้ําใสก็ใสจริงๆไอ้น้ําที่ว่าใสเนี่ยความสมมุติว่าใสกว่านั้นมันก็สมมุติได้แล้วมันปั้นเอาได้จิตนี่มันปั้นอะไรที่มันไม่มีในโลกมันปั้นได้นะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าปั้ น, นได้ใสมันใสจริง ๆ, ๆก็สมมติเอาไว่าใสกว่าใสอ่ะ สายนี้นี่สายเท่านี้อีกสานึ่งมันสายกว่านี้มันก็สมมุติเอาเป็นรูปปั้นเป็นรูปนิมิตเป็นจินตนาภาพเป็นจินตนาการของตอนเองมันก็ทําเอาได้อทีก็ของที่มันสมมุติเอาอ่ะอันนี้มันเนื้อกว่าอันนี้มันสมมติข้าว เ, เองนะเพราะฉะนั้นจะสมมุติว่าโอ้โหวิมานแก้วเจ็ดชั้นของทางด้านสายหรือสีลิงดำตัวนี้วิมานแก้วเจ็ดชั้นแดชั้นของคนนั้นสวยสวยเอาสวยกว่าสวยมันก็สมมติได้อันนี้สวยอันนี้สวยกว่าสวยอ่ะ เรามีรสสุนิยมอย่างไรเราก็ปั้นเอาสวยกว่าสวยของเราอย่างนั้นเย็นมันเย็นอย่างไรก็ปั้นเย็นกว่าเย็นมันเป็นยังไงก็ปั้นไปเย็นเกินไปมันหนาวก็ไม่เอาเอาเย็นกว่าเย็นเท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ปั้นไปในความรู้สึกเป็นความรู้สึกรับรถที่เราเองเราต้องการเราว่าอะไรดีระอย่างไหนของใครก็รู้สึกเอาเองมันเป็นความรู้สึกของจิตเท่านั้นก็ทําเอาได้หอมกว่าหอมมันเป็นยังไงเขา สมมติอที่หอมก็หอมที่เราชอบอะรสนิยมไปทางไหนล่ะโลชั่นหรือว่าเพอร์ฟูมก็เอาไปสิรสนิยมคนหนักไปทางเพอร์ฟูมก็ไปทางเพอร์ฟูมเรืองกลิ่นทางไหนก็หนักไปทางโลชั่นก็ไปทางโลชั่นออนหน่อยเพอร์ฟูมก็ฉุนหน่อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นี่เป็นเรื่องของความรู้สึกสมมุติเอารสนิยมของใครของมัน ก็ปั้นไปอะไรเเขาทำได้แล้วก็ไปมีแม้กระทั่งที่สุดมีเมืองนิพพานโอ้อย่าว่าแต่สวรรค์ธรรมดาเลยไปถึงเมืองนิพพานไปดิ่งไปลลเลยก็ปั้นเป็นมโนมะเนไม่ยะอัตตาทั้งสิ้นเ <c oughs> ขาจริงจรจังๆนะมันได้จริงๆคนไม่ได้เลยโอ้ยไม่เก่งเราอยาไปไม่ถึงไม่มีบุญน้อยวาสนาน้อยใจอะไรอะไรต่างๆนานา ม, มีอยู่เยอะ คนที่ปั่นได้สําเร็จโดยจิตก็ถือว่าคนนั้นแหละสำเร็จแล้วได้ไปใหญ่เลยจริงๆมันไม่มีเอ่เมืองสวรรค์เมืองนิพานอะไรพวกอย่งงางนั้นอย่างนั้นปันศักดอนดงโ น, โนโดาดอะไรนั้มันไม่มีหรอกอ่หรือว่าแม้นรกก็จะมีกระทะทองแดงแล้วก็เอาคนจุ่มหัวจุ่มห า, มหางลงอะไรกันมาเขียนผ้าออกมากันมันไม่มีมันไม่มีในแดนไหนในโลกไหนมันก็ไม่มีแต่เขามีกันจริงๆ เขามีกันจริงๆปั้นสําเร็จแล้วมันจริงของเขาจริงๆเลยคนไหนไปอยู่ในทางนั้นแล้วก็ถือทางนั้นเห็นจริงเห็นจังในตางนั้นเขาก็จะมีจริงๆอย่างพวกคุณนี่ไม่เชื่อแล้วเนี่ยไปปั้นให้ตายมันก็ไม่เป็นเพราะมันไม่เชื่อจิตลึกๆมันไม่เชื่อแล้วปั้นยังไงมันก็ไม่เป็นเพราะมันไม่เชื่อก็มันไม่มีนะจะให้มันมีมันจะมียังไงก็มันไม่มีมันจิตสําเร็จด้วย เพราะพวกเราเนี่ยไม่มีบุญอย่างเขาหรอกนคนที่เข้าใจอย่างสนิทยิ่งสนิทเท่าไหรย่ยงไม่มีห้ามันต้องเป็นหลงเชื่อจริงๆเลยนะแล้วมันถึงจะปั้นนี่อาตมานี่ก็ไปปั้นกับเขามาได้มังไม่ได้บังคือมันมีธาตุเดิมมันนะที่มันรู้แน่รู้แท้แล้วมันก็ได้อย่างนั้นนะมันไม่เคยเขาถ่าอะไรเท่าไหร่หรอก ไม่เก่งเหมือนเขาหรอกของเขาเนี่มันสนิทจะบนเชื่อสนิทมันไม่มีอะไรอันนั้นเลยมันไปดิวเข้าไปงินเงี้ยอาตมาก็าเออมันไปได้ทิ้วๆอยู่แต่ก่อนที่ไม่ยังไม่ได้มาฟื้นความรู้จริงของเร า, านี้แล้วก็ยังนึกอยู่ว่าเออพวกนี้มันไปได้เก่งเขาเก่งก็ยังนึกว่าเขาเก่งอยู่นะเราไม่เก่งเท่าเขาอะไรก็แล้วแต่เราคนนึกๆแต่อาตมาก็ไม่ได้หมายเขาว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรก็บเขาเขารู้รู้ก็เขาใจทั้งนั้นเน่ะ ก็ทั่งมารู้ทางนี้อย่างแนนอนชัดเจนแล้วต้งเห็นได้ว่าเออพวกนี้นี่มันใช้จิตที่เป็นจิตสมมุติอรไรไกันไปนีนะแล้วก็ติดกันอย่างนั้นจริ ง, รงๆเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆก็ได้เห็นความจริงว่าเออเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นไปถ้าเผอว่าสิ่งอย่างนั้นจะนำพาเขาเองเละอกุศลละทุจริตอะไรได้บ้างเขาก็ทำนะพยายามที่จะไม่เป็นคนศีลก็มีคือ ศาสนาพุทธเรานี่มีศีลไว้เขาการะลึกรื้อบุญกันว่าศีลเขาไม่พยายามทําเขาไม่พยายามที่จะละเมิดไม่จะไม่พยายามทําศีลนะเขาทำศีลแต่ว่าไม่พยายามละเมิดศีลเขาก็พยายามทําอยู่บ้างเอาเขาจะเชื่ออย่างนั้นเป็นความสามารถเป็นสิ่งที่เขาได้เขาเป็นเป็นกําไรของเขาแล้วเขาก็พึงปฏิบัติละอกุศลละทุจริตอะไรอยู่ก็เอาขปอย่างดีนี่นี่อธิบายโครงง่ายๆให้ฟังว่า ลักษณะของสมาธิหรือเมดิเทชันอย่างเขานี่เขาเอาไปเล่นจนกระทั่งพวกฝรงฝรังเอาไปเล่นก็น ไ, ปนกนไปนั่งเหาะด้วยนะไปทำแล้วก็เหาะกระโดดอะไรของเขาไม่รู้ต้อเป็นนั่งบนที่นั่งทีงเป็นฟูกเป็นมีสปรงิงสปริงอะไรเอ้มันเหาะได้จริงๆมันจะไปนั่งที่นั่งสปริงทําไมแล้วไปนั่งปูนอย่างงี้เหาะให้ดูสิทำไมจะต้องเป็นั่งในที่ที่มันเป็นส ป, ปริงฮะฮะ บบาธรรมดาเลยนะเราต้องมีที่นุ่มที่นิ่มยังทําไมก็นั่งหินอย่างนี้เลยนั่งแล้วก็เข่าชาแล้วก็หอมบื้อมาติดจรวจลงไปดูอนะ่าตมาไม่รู้นะเคยเขถ่ายลงถ่ายรูปมาไม่เคยเขาไปสอดส่องไม่เคยเขาไปติดตามอาหอได้เดินตรวจเอ้าก็เอา้เอ า, อาก็เก่งนะ่ะ เอามาเข้าสู่บทเรียนที่ว่าเราจะต้องเรียนดูซิเนีย่ยการอธิบายาคล้ายๆฟังในลักษณะที่สมาธิกับสัมมาสม า, สมาธิมันต่างกันอยู่ในลักษณะอย่างนั้นเป็น ส, สมาธิที่เข้าใจทั่วไปกับสมาธิอย่างที่เล่านั่นแหละทั่วโลกเข้าใจสมาธิแบบเมดิเตชันหรือแบบเข้าไปอยู่ในภพวังส่วนสัมมาสมาธิที่เรากําลังพยายามประพฤติ ศ, ศึกษาทํากันจริงๆแล้วก็เป็นสภาพที่เราลดละกิเลสได้ไม่อยู่ใต้ อำนาจของตาหูจมูกลิ้นกายใจยูเนื้ออำนาจของตาหูจมูกลิ้นกายใจชนะกรรมที่แท้จริงชนะอัตตามาเรียกว่าพบอัตตาหรือภาะวะอัตภาพชนะตัวสภาพของทินในพบในจิตของเราที่ไปปั่นอย่างนั้นสมมติอย่างนี้อุปทานอย่างโ น, น้นอย่างนี้อะไรเรียนรู้อัตตาเรียนรู้มานะเรียนรู้กิเลสสภาพทางจิตที่มันมีพบมีชาติอะไรอยู่อีก อย่างแท้จริงพเพื่อที่จะพ้นกามาสวะพ้นภวาสวะพ้นอวิชชาสวะอันเป็นอาสวะสามเลยใหญ่พ้นสามอาสวะนี้เสร็จก็เป็นพระอราหันต์กันได้จริงๆซึ่งเราก็ใช้สม า, สมาธิอย่างที่ทํานั้นอาตมาก็เห็นประโยชน์พมื่เราศึกษา ส, า, มมาสมาธิกันมาแล้วก็เรียนรู้กันมาลดละมาเนี่ย ได้มาจะากแกล้งอาตมาหรือว่าไม่แกล้งก็ตามอย่างที่อาตมาพยายามตรวจสอบพวกทุกคุณนั่นแหลคุณก็ตรวจสอบตัวเองว่าคุณมานี่บางคนมา3ปีบางคนมาหปีบางคนมาสิบกว่าปีแล้วบางคนมาแล้วก็มาจนกระทั่งอย่าว่าแต่มาเฉยๆเลยไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมดาจนกระทั่งวางราบยดทิ้งเงินทิ้งทองทิ้งสิ่งที่เคยได้ ทิ้งงานทิ้งการทิ้งหลักฐานที่โลกเขาแย่งกันยังกันอะไรดีสมัครพานโรงหตําแหน่งไปสมัครกันสามพันโอ้โหสอบนะผานโรงเนี่ยสมัครผ่านโรงหกตาแหน่งไปสมัครกันสามพันคนสอบชิงตําแหน่งพานโรงอาตมาก็ได้ยินไม่เคยได้ยินก็ได้ยินน่ยบุญหู บุญหูงจริงอาตมาก็ไม่ช่างจําว่าไอาสถานที่อะไรจะอ่านผ่านผ่านเหมือนกันอะไรสถานที่อะไรของเขาไปสมัครนักการเขาไม่เรียกพานโรงเราเขาเรียกนักการโอ้โหเด็กเขาก็แย่งกันลาบยศแต่พวกเราทิ้งอย่าว่าแต่ตําแหน่งนักการอย่างนั้นเลยนะก็เป็นข้าราชการมีสี่สามี่ห้าสี่หอะไรก็เลิกเลิ ก, ล, กละล ะ, ละทิ้งทิ้งมาจริงๆ บางคนก็ทิ้งมาได้หลายปีแล้วนะแล้วเป็นยังไงเลยโหยหาอาวร oy, ha, อยากจะกลับไปได้ซีอย่างเก่าอะไรหรือไม่แค่ไหนต่นามาข้พยามาทดสอบพูดเตือนพวกเราว่ามันละโลกโลกียะเนี่ยมาได้จริงไม่ลาบก็ดียดก็ดีสันเสิรนก็ดีมันเป็นโลกียะชัดๆนี่โลกียะสุขที่เราละมานั่นแหละเป็นแกน ถ้าเราไม่ละทิ้งโลกียสุขมาได้เราจะมาทิ้งลาบทิ้งยศไม่ได้หรอกมันทิ้งได้ก็เพราะเราได้ละโลกียสุขเรืเ่อยๆมาเรื่อยๆมาไล่ม า, มาทิ้งมาทิ้ ง, งมาจนกระทั่งเห็นว่าอมันน้อยแล้วเราไม่ต้องไปบำเรออะไรมากหรอกเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่อ ง, อ ง, องสิ่งที่เราจะมาบำเรอตนมากๆนี่มันไม่ต้องมันจะลดจริงๆแล้วมันจะมั่นใจว่ามีชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องไปสะสมเงินทอง สภาพคุณภาพของชีวิตนี่มันจะขึ้นไปจริงๆเลยว่าไม่เป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมากน้อยสันโดษนะขัดเกลาตัวเองมีศีลเคร่งมีอาการที่น่าเลื่อมใสมีการไม่สะสมนะมีความขยันหมั่นเพียรนะคุณธรรม9้าวประการมนุษย์พัฒนาก้าวประการมันจะเป็นจริงๆนะมันเช็คได้วัดได้ผู้ใดไม่ได้ไปมีมาก่อนก็ยิ่งสบายใหญ่เลยนะปฏิบัติมาตั้งแต่อายุยังน้อย ดัมริแข่เป็นนัก walker, นกรงนักเรียนเป็นอะไรมาแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรเรื่อยไปเรื่อยๆเลยแล้วก็จะเป็นนึกว่าแหมเรานี่ไม่ได้ไปสะสมเงินก่อนนะไม่ได้ไปมีลาบก่อนไม่ได้ไปมียศแล้วก็มาทิ้งลาบทิ้งยศโอ้เราเลยไม่ได้พ้นโลกียะกับเขาเลยเพราะเราไม่ได้ทิ้งลาบเราไม่ได้ทิ้งยศไม่ต้องเราก็มันทิ้งมันเลยโดยที่ไม่ต้องไปมีมาเลยนะมันก็ทิ้งอย่างจริงๆแล้วคุณไปห่ยหาอาวอ์เขาไหมล่ะไปลิศยาเขาไหมล่ะไปข่มไปเบนเขาไหม ไอ้ไม่มีลาบนี่เละไปขม่มผมเบ่งคนมีลาบอีกนะมันจะซ้อนเจือก็ เ, เมื่อเราไม่ได้ไปเบ่งไปข่มอะไรเขาแล้วก็เราก็ไม่ได้หลงไหลยินดีได้ปลื้มอะไรเราก็รู้ว่าเราทําลาบคืออ่อและลาบคือสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นสิ่งที่ได้แล้วก็สร้างขึ้นมาโดยสุดจริตด้วยมีฝีมือมีความสามารถเหมือนกับเราไปทํางานรับจ้างได้ค่าตอบแทนนั่นแหละแต่เรามีผลผลิตมีแรงงานมีความรู้ความสามารถจริงๆสร้างทํางานเก่งขยันมันเพียร นั่นแหละมันก็เกิดผลผลิตเกิดแรงงานเกิดความสามารถยิ่งทําก็ยิ่งชํานาญยิ่งทําก็ยิ่งแคล้วคล่องเป็นผลผลิตเป็นแรงงานเป็นคุณค่าที่เราได้สร้างนั่นแหละลาบโดยทำเสร็จแล้วเราไม่ได้เอาไปเป็นของตัวตลอดเลยเราได้ลาบแต่เราไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่เลยมันซ่อนเชอมันสูงกว่าที่เราต้องไปเอามาสักก่อนแล้วก็มาเอาออกไปโอ้จะ ต, ต้องไปทําให้มันขยักขย่อนทําไมเล่าก็ ท, ทําทีเดียวเลยลาบนี่แล้วแล้วก็แจกไปเลยทําเสร็จแจกทําเสร็จแจกไปเลย โอ้ยมันเร็วนะโดยเศรษฐศาสตร์นี่มันจเจริญทันทีเลยสพัตเลยทำได้กว่าสพัตทันทีทำได้สพัตทันทีไม่ได้มากักตัวไม่ได้สะสมเป็นของเราเลยความเป็นของของเราก็ยิ่งไม่มีใหญ่ทันทีทันใดสัตเลี่ทันทีไม่ต้องไปช้าไม่ต้องเป็นนานอะไรเลยมันไม่ดีกว่าเลยใช่ั้ม อย่างทันทีเลยทําพระก็สร้างให้มันก็เป็นล่าบยศไม่ต้องไปมีแล้วมาเป็นกรรมกรพวกเราเป็นกรรมกรทั้งนั้ น, นยศถาบรรดาศักดิ์ก็การแต่งตั้งคนนั้นรับผิดชอบอันนี้คนนี้รับผิดชอบอันโน้นมีความสามารถมากเขาก็ให้รับผิดชอบมากอะไรนี่มันก็เป็นยศตามบอกอันนี้นะนี่ สหนึ่งสสอสี่ห้าสี่แปดอะไรก็ตั้งกันไปเนี่ยสิกีแล้วนน่สิบโท1ิอกอะไรก็ตั้งกันไปเป็นยศเพื่อที่จะรับผิดชอบงานการขนาดนั้นขนาดนี้มีความสามารถมากก็ได้ยศมากเท่านั้นเองส่วนสรรเสริญสรเสริญเรื่องนินทานั้นโอ้ซับซ้อนมีเยอะแยะไม่ต้องห่วงอันนี้ได้แน่สรรเสริญยนยอเรื่อวันนินทานี้ได้แน่ในหมู่พวกเรานี่ก็นิยมนินทากัน ที่จริงเราไม่เรียกนินทาเรียกติเตียนนินทาเนี่ยก็มหมายเขามาพูดรับหลังมานินทานี่คือไปที่ได้ด่ารับหลังไปตำหนิติเตียนรับหลังไม่ให้เจ้าตัวรู้อั น, นี้พวกเราก็มีไม่ใช่ไม่มีตอนหน้าไม่ก ล, าล้าเราไปทีนินทากับใครไม่รู้ติเตียนข้างหลังนุ่นอ่าตอนหน้าก็ไม่กล้าติเตียนแล้วมีอยู่แน่ในพวกเราเยอะได้แน่พอเรานินทาก็สั่นเซร์เนี่ยได้แน่แต่สั่เสริเน้อยไม่ค่อยจะสั่นเซอร์กันเท่าไหร่เรา ก็ <het k> ไม่เป็นไรไม่แปลกอะไรเราก็สั่เสือกันบ้างม <het k> ันสั่เสือกันด้วย <het k> นินทากันบ้างที่จริงติเตียนไม่ใช่นินทาติเตียนกันติเพิกก่อสั่เสริญเพื่อให้รู้ <het k> แล้วก็พยายามดูตัวเองสั่เสริกแล้วก็อย่ายลอยอย่าหลงอะไรอันนี้แน่แ น, แน่นอนเรื่อ <het k> งลาบเรื่องยศนี่มันของเรา <het k> พวาะเรานี่ตัดกันอย่างที่เรียกว่ามีรูปแบบเลยมีสภาพเลยว่าเราลดกันได้ดีลาบยศนี่เป็นของหยาดในโลก แม้แต่คารวะเราเนี่ก็ยังลดลาบลดยศได้ดีกว่ากันจริงๆนั่นดีกว่านักบวชอีกเยอะๆนะที่มีนักบวชที่ไม่ลดลาบลดยศอย่างแย่งอย่า ง, ง, ง, งชิงยัางสแสวงหากันอยู่พวกเรานี่เป็นคารวะแท้ๆอยังไปแต่ไปแย่งลาบอย่างยศอะไรกับเขาดีกว่าผู้เป็นนักบวชซะแล้วด้วยซ้ําเห็นรูปเห็นแบบเห็นอะไรที่ชัดเจนเลยทิ้งไม้เห็นชัด ๆ, ๆลดไม้เห็นชัด ๆ, ๆ นีโลกิยาหลักๆเนื้อหาของโลกิยะแล้วเราก็เหนือโลกิยะอันนี้ลดโลกิยะอย่างนี้จริงๆมาเนี่ยบางคนสมปีหปี8ปีอย่างที่ว่าเนี่ยตรวจสอบสแิแล้วเป็นยังไงอะไรนับวันนับเดือนจะต้องไปต่อไปแล้วนะถ้าเผื่อว่าตรวจสอบดีๆหล้กเอ๊มันไม่ถูกหน้านี่รีบรีบกลับไม่งั้นเสียเวลานั้นนี่ยจะตายเปล่าทิ้งๆเนี่ยไปรู้สึกตัวเอาเมื่ออายุ 60สบแล้วไม่ได้นะทีนี้เราก็กลับไปหาอาลุลาห์มยศ อ, อีกไม่ได้น ะ, ะชีวิตมันเออเรานี่มันหลงผิดทางแล้วเนี่ยมาพาไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยทีนี้เลิกละทิ้งมาอย่างนี้มันจะเข้าถาแลตรวจสอบจริงๆแลรร้วก็ระลึกรู้ด้วยปัญญาญาณด้วยความเขาา้าใจเอโลกของเขาเป็นอย่างนั้นกันดีนะตัวอย่างเานะแล้วทำไมเรามาบ้าพามาบ้านี่ถูกหลอกล้างสมองมาต้ยแล้วมาเป็นแรงงานทาส มัคคายันมันเพียนแล้วมาทํางานความสามารถของเรามีก็เอามาทําอยู่ทั้งเนี้มารับใช้เป็นฟรีอะไรก็ไม่ได้มันหลอกใช้เราทุกอย่างเลยเงินทองเข้าของเราจะไปเสพสุขโลกีสุขคนที่เขาสุขสบายสํารงสําเริงสําราญอะไรดีอยู่กันเยอะแยะในตัวอย่างในโลกใี้มีให้ดูเยอะแยะเลยเอเอลองมาอดจากปากแห้งอยู่เนี่ยหลอกเก่งจังเลยเราเสียท่ามาสัหลายปีแล้วรู้สึกตัวเรารีบไปอ่ะ จริงจริงไม่ล่ะจริงไม่ล่ะก็แต่ก่อนคุณเคยเสพยังได้เสพไม่เต็มที่ด้วยบางคนนี่โอ้โหยอยากจะกินอาหารร้านมือละแสนสองแสนก็ยังไม่มีเงินไปกินจะต้องไปกินให้ได้สิไม่ได้เที่ยวในรูปอย่างนั้นรถอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้สัมผัสอย่า ง, งั้นมันยังไม่ได้เคยแล้วเหรอเคยกินหรือเปล่าแล้วน่ะนะ ไม่เคยอ้าวแล้วไม่อยากไปกินเลยโต๊ะเราเป็นแสนน่ะอ่บินไปกินต่างประเทศอะไรก็แล้วแตแว่มันจะต้องไปเสพสุขโลกีรีสุขอะไรทางๆหูจมูกลิ้นกายใจเขาว่ามันดีมันมีเศษมันเลิศมันอร่อยมันอะไ ร, ะไรก็ต้องไปเอาอ่านี่ยังไม่เคยมีคู่ก็ต้องไปมีคู่กันที่ไม่เคยสุกอะ่ะถูกหลอกมาอยู่ทั้งนี้เลย เดี๋ยวแข่งเหียวหัวโตวตายกันฮะไม่เสียดมเสดายอะไรหรอกเพราะเตือนสติตลอดเวลาโลกียะเขาเป็นอย่างนั้นแหล ะ, ะเราจะสุขสําราญประสบผลสําเร็จในชีวิตมีเงินหลายพันล้านอะไรก็ตามจะต้องได้เสพรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสอริสอร่อยไปสำเริงสําราญตามอย่าง น, น้นอย่าง น, น้นคนโลกเขามีอยู่ให้ดูให้เห็นอยู่ตลอดเวลา จะมานั่งอับเฉามาถูกหลอกมาเป็นข่าทาตเนี่ยมันเป็นแรงงานทาตแล้วใช้คําว่าแรงงานอริยะเนี่ยหลอกไว้ให้มาทำเนี่ยดูซิเนี่ ย, ยมาทำศอกศอกศอกอกย่างกับบางคนเนี่ยโอ้บางค น, นมีฐานนะทางโลกเขาออกไปข้างนอกผ ง, งาดเหมนนแล้วนี่แหมมีคนโค้งเคารพอย่างน้นอย่างนี้มาทนันทีตายมากวาดขี้หมามาทําอะไรอยู่างเนี้ย โอดูแล้วมันสมเพทเวทนาจริงๆนะพูดแล้วก็จริงเห็นจริ ง, เ ห, รงเห็นจังเลยเขาว่าก็จริงของเขาทุกอย่างเลยนะอะไรทําไมมันโง่ ด, ดักดานงานมาให้ถูกหลอกมาก็าอยู่ทางโน้ น, นมีศักดิ์ศรีมีอะไรสงาา่าผ่าเผยดีมาทางนี้แล้วมาเป็นข้าทาสมาเป็นอะไรไรทำสารพัดนะอะไรต่อะไ ร, ะไรต่า ง, า ง, า ง, างๆนานาเหมือนกับคนทุกๆคนๆคนคนอื่นเขาคนจบไม่จบปอศีด้วยก็นั่งกับพื้นๆอย่างเงี้ยนอนก็อย่างเงี้ยกินก็อย่างเงี้ย ไม่ได้มีศักดิ์ศรีไม่ได้มีชั้นตอนไม่ได้มีอะไรอะไรเลยอย่างเงี้ย เ, เสียหมดหมดศักดิ์หมดศรีหมดอะไรทั้งนั้นน่ะจะเป็นอย่างฆ่าทา่าอะไรต่างนานานมันจริงของเขาทั้งนั้นน่ะเพราะงั้นคนไหนก็นแล้วแต่เมื่อรู้สึกตัวว่าถูกหลอกอย่างสนิทแล้วรีบรู้ตัวแล้วรีบไปไปอยู่กันทางโน้นเขาไปเอา เพราะทางโน้นก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของเขาอยู่อย่างนั้นเขก็มีลาบยศชั้เสิร์นโลกี้สักสุกมีสักมีสีมีทุนมีรอยมีเงินมีทองมีอะไรเขาอยู่อย่างนั้นเน่ยแต่ตองนี้เราจะมาทางนี้นี่ก็พูดเตือนตลอดเวลานะอย่ามาเสียเวลามากมายอย่างอาตมาตเตือนนะพุที่มาบวชแล้วอย่างนั้นน่ะที่ลายลายมาที่เคยมาพูดมาแล้วนั่นม่อยู่ได้ทั้งหลายเป็น10บสิปีแล้วแต่ไม่งั้นไปอยู่ทางโน้นกันนี่ย หาตาก็ไม่ใช่เลวไม่เลวนะเนี่ยป่านนี้ก็ได้เมียกันคนละหลายคนแล้วอะไรเี้นี่นลูกสาวบ้านใครบ้านใครก็คงได้เขาไปหลายคู่หลายคนลลยแล้วอะไรแล้วมาเสียเวลาอยู่ทําไมต้องเป็นนุมเป็นนานใช่ไหมนะหรือไม่ก็ไปหาเงินหาทองนี้ได้กันคนละหลายหลัวแล้วเนี่ยนี่เงินทองแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยก็ไปทํางานนี่มั เป็นแรงงานอารยะหรือมาเป็นแรงงานทาสฟรีๆไปตั้งหลายแล้วเนี่ยเก็บแล้วได้แต่เยอะนะเนี่ยนั่คิดจริงๆมาจริงนะเนี่ยแรงงานหรือว่าความสามารถแต่ละคนพวกเราทํำนี่มันเป็นผลผลิตจริงๆแล้วมันก็ได้มันก็ออกไปสู่สังคมจริงทุททกคนไม่เห็นเหลือเท่า ก, กระบาดไม่มีเลยนะเนี่ยทางานกันทั้งนั้นทุกค น, นทํางานกันไม่มีเลยมีแต่ทําแล้วก็ออกไปหมดทําแล้วก็กระจายทําแล้วก็สลายไม่มีได้แลกกลับมา นี่แหละคนข้างนอกเขาง ง, งว่ามันเอามาจากไหนว่าโสมนี้มันรวยก็จะมันรวยยังไงล่ะนี่ไม่ใช่คนงอมืองอเท้าทุกคนมีประสิทธิภาพใช่มมันก็ทำก็สร้างออกไปออกไปแต่มันไ ม, ม, นไมน่มันไม่เป็นรูปมันไม่เป็นนั่นมีไว้สักห้0 0 0ื่นหแสนห้าล้านทั้งนั้นก็มีนะมันใส่แบงค์ไว้แต่ของเราไม่มี่นะไม่มีนะทนั้งน้นไม่ใช่ค่าแรงงานโดยบางทีค่าบริจาคนะทําทานของเรานี่ทําทานก็ไม่เอาอยู่แล้ว ถ้าทำก็เข้ากองกลางคข้ามูนิธิไปเลยส่วนตัวก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะ่ะก็ามารับประกำเข้ากองกลางต่อหรือว่าเป็นครั้งเป็นคราวเป็นดึงเป็นราวอะไรก็ว่าไปก็ไม่มีเก็บไม่มีอะไรทั้งนั้นได้รับเละเลยนะเยอะนี่ถ้าเราจะเอาวิธีนั้นบ้างอ่ะป่านนี้ท่านสันตติตโตเนี่ยมากอดเพื่อ น, นคงจะได้หลายกว่าเพื่อนมั่งป่านนี้ภูรัตนยูนะ มาบวชก่อนเพื่อนป่านนี่ก็คงป่าก็าไปเป็นลานแล้วมั้งสิบกว่าปีแล้วใส่แบงไว้ดอกนั้นก็นไล่มาที่ตามฐานนะไม่แน่หรอกห ล, ลังๆนี่ก็อาจจะฝีมือดีๆนะะบางคนอาจจะทำํำของไอ้ขิดเก่งอะไรก็จะอาจจะรวยกว่าเขาเป็นฝีมือมันต่างกันนะคนเรามีฝีมือดีๆเห็นไอ <c oughs> <c oughs> อก็อาจจะรวยกว่าเขาสะสมได้มากกว่าเขาก็ได้ แต่พวกเราไม่มีอย่างนี้แล้วไม่เสียเวลาอยู่ทำไมแก่เข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, ว น, ว น, นเดี๋ยวก็ถึงเวลาตายนะไอ้พวกเราสมณะเรายังไม่ตายสักคนนะเนาะเอออิทธิปาทายุโกตายไปคนหนึ่งเนาะลืมไปตายอายุยังหนุ่มไปตายที่เชียงใหม่าตายไปคนหนึ่งละอนี่ยังไม่ตายกันเนี่นี่เราแก่ไปแก่ไปแก่ไป บางคนแก่ๆมาบวชแล้วนึกว่าจะตายก่อนที่จะมาบวชน่ะนะเห็นน่ะเอ๊คนนี้จะอยู่ได้กี่ปีนี่มาบวชแลกวอายุมากแล้วเอ๊มาบวชเข้าแข็งขันขึนแข็งแรงขึ้นมาโอ้แล้วแป๊บเพล้ไปนี่อย่างท่านพระโหริกโตเนี่ยปาเข้าไปเจ็ดสิบแล้วโอ้เจ็ดสิบแล้วแต่ก่อนก็มาบวชทำไมมาบวชน้อนี่อายุตั้งหกสิบวจะมาบวชทำไม บอกว่าพอไปได้ผมยังแข็งแรงกว่างันนะจะไปรอดหรืออา้าวเอาก็จริงเจ็ดสิบยังแข็งขันอยู่เลยให้เทศแล้วไม่ไล่ไม่ลงนะนะั่นน่ะถ้าใคขคืนเทศแน้่ไม่ไลาไม่ลงนะนะั่นเทศโอ้โหม า, าต้องห่างกันแข็งแรงก็ไปกันได้อา่ายังไม่ทันตาย นเนี่ยมาพูดในฟังในเพื่อให้ตรวจสอบของจริงความจริงไม่ใช่พูดเล่นจ่ายเล่นให้มันระเริงอารมณ์เล่นไม่ใช่นะแต่มันก็ดูสนุกดีเหมือนกันนะนะมันก็ดู ด, ดูแล้วมันก็คำขำเนียเออดูที่เนี่ยถูกหลอกได้สนิทอะไรสปานฉะนั้นถูกหลอกได้สนิทดีนะอ่แล้วก็มาเป็นไปนี่เป็นผลของสัมมาสมาธิเป็นผลของเราลืมตารู้รู้แล้วยานปัญญา จะพูดยังไงก็พูดไปจะพูดว่าหลอกจะพูดว่าถูกอย่างน้นอย่างนี้อะไรอะไรก็พูดไม่มีปัญหาอะไรแล้วทางเรานี่อาตมาว่าไม่กลัวนะคำพูดแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ถือสาคําพูดเลยเอาคําพูดมาตรวจสอบเขาพูดอย่างนั้นอย่างนั้นอาตมาพูดนี่ก็ไม่ใช่ว่าไปฟังแล้วก็เล่นเล่นแล้วก็หลงมีอาตมามีจิตวิยาทําให้บุคคลเนี่ หลงสนิทเลยไม่เลยต้องตรวจตราไม่ต้องคิดนึกไม่ต้องสเหนียกสงวนไม่ต้องพยายามเปรียบเทียบอะไรไม่ได้นะต้องวินิจฉัยจริงๆเลยให้ดูให้ดีๆมันเป็นยังไงทั้งนอกและในอารมณ์ข้างในจิตและข้างนอกสภาพข้างนอกมันสอดคล้องกันไหมสงบระงับไม่สะสมมันเป็นยังไงอยู่เหนือโลกีกยะหรือโลกเป็นยังไง ร, ราบยศสันเริลกา ม, มคุณ อัตามาณนะเป็นยังไงให้รู้สภาพเหล่านั้นว่าเราเออเราหลุดพ้นขึ้นมานะเราเบาบางลงมาเราสบายใจขึ้นแล้วมันก็อยู่ของเราได้ของเราเดียวนี้ทุกวันนี้ในแหม่มันเป็นสังคมมนุษย์มีวงจรขึ้นมามีระบบมีอะไรต่ออะไรอัตมายิ่งพูดได้ยังจาชัดยิ่งพูดได้มีที่รองรับมีอะไรรองรับได้มากขึ้นว่าเราอยู่กันได้ยังไงเอ๊ะคนยังไงเราไม่มีเงินสักบาทมันอยู่ได้ยังไง เอ้ ه, มันอยู่ได้นะไม่น่ามีรายได้เลยแล้วมันจะดูดายได้งไงเอ้ ه, มันอยู่ไดนะ้โลกเขาไม่มีรายได้มันไม่อยู่ไม่ได้นะ่นนี่ไงาอาตมาอ่านข่าวพวกคนสิงคโปร์ไปทํางานที่สิงคโปร์เนี่ยนะโอ้ไปอยู่ในเขาบอกไม่ได้เป็นบ้านหรอกเป็นกล่องแค่อ่านไม่ละข่าวเข า, ขาบอกว่าไปอยู่ในกล่อง อยู่กันมันทุเรศทุรังการว่างเงินอัดกันอยู่เงินน่ะบางคนมันไม่มีมันอยู่ไม่ไหวมันก็ออกมานอนข้างนอกบางสเปสะปะอับชื้นมีเชื้อโรคมีอะไรตแต่มันเป็นคนเป็นคนงานทาสต้องไปทําสัญญาเข้ามากูเงินมาเพื่อที่จะให้ทั้งบ้านไปก่อน4ี่หมื0 0 0้นแล้วก็จะต้องทําใช้นี่แช่อะไรมีสัญญาผูกมัดหนี้มาไม่ได้ต้องทนทําให้มันหมดหนี้หมดสินอะไรต่างๆนานาเพราะเขาเอาเงินซื้อไว้ก่อน อะไรต่างๆนานาพวกนี้ดูแล้วดูแดิ้นรนชีวิตตัวเองตายก็ต้องตายยอมตายทุกอย่างนะรู้ว่าเอ็นี้เป็นพิษเอ็นี้เป็นอะไรมันถึงตายก็ต้องยอมจะต้องกินยาจะต้องกิน น, น้นกินนี่ต้องต้องทุกยากยังไงอยู่ก็ต้องทนอยู่ไ อ, อย่างนั้นสิมันน่าสงสารมันไม่มีทางออกเขาไม่มีความรู้เขาไม่รู้ว่าจะอยู่ยังไงนีนี่สองพวกเราเนี่ย ได้มาพบได้มารู้ได้มาเห็นได้มาอยู่แม้จะมีความรู้หรือไม่มีความรู้เราก็อยู่อย่างพี่อย่างน้องคนที่มีความรู้มากๆก็ เ, เอ็นดูกันมีฝีมือมีความสามารถก็ทำมากๆเป็นบุญของเราเราได้เกื้อกูลกันไปกับบุญของเราแม้แต่คนที่ความรู้ไม่มากความสามารถก็มีได้เกือ้อกูลได้สร้างสรรได้บางคนมีบุญเป็นมาๆเหมือนกันนะคนที่เรียนสูงๆบางทีหยิบยงบางทีมันอัตตามันเยอะขี้เกียจ ก็ให้แต่คนที่ไม่ได้เรียนสูงยังมีลักษณะศักดินาทุนนิยมอยู่พอควรเนานะแกทํากันละกันอนะแต่ก็มีเชิงฉลาดอยู่ในหัวนะคุณทําแล้วกันนะคุณได้บุญมากฉันไม่ค่อยทำํำก็คุณไม่ค่อยทําคุณก็ไม่เคยได้นม่มีปัญหาคุณจะไปทําฉลาดโกงนั่นะไม่เคยเลื่องอะไรนะใครทํำก็ใครได้มันเรื่องธรรมดาแต่พวกเราก็ทํากันไปอย่างเงี้ยแล้วแต่บุญใครบุญคันบาปใครบาปมันกรรมใครกรรมมันนะ เอาละได้ทบทวนอะไรใมุงเวียนไว้ก่อนเอาที่นี้มันดูเปิดตาําราจะห้าโมงแล้วออกบินฑ บ, บาตหกโมงใช่ไหมเอาดูตําราก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วนั่งสักครึ่งชั่วโมงเลยนาะก่อนเริ่มต้นเอาสักครึ่งชั่วโมงนะเลิกก่อนห้านาทีอ๋นอนาพอดีเลยนี่เรือเอาไว้ห้านาทีจิมห้าเ <5 S 2> <5. S 1> นี่ยฟังยังไงเป็นห้า ออาวตกลงเอาเปิดดูหน้าหนึ่งนะบอกว่าประโยชน์ของการเจริญอาณาปานสติอาตมาจะอ่านสู่ฟังก่อนเท่านั้นเองนะอ่านสู่ฟังไปไกล้ๆและเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็ไม่อ่านและทีนี้ไล่ที่จริงมันไม่น่าอ่านรแร้วนะก็มีกับคนละเล่มอยู่แล้วเนาะอธิบายไปในตัวนี้เสร็จนะอธิบายไปถึงไหนก็เข้าไปเรื่อยๆตามลําดับใครยังไม่ได้อ่านไปอ่านเวลานอก ไม่ต้องอ่าสู่รฟังเราเสียเวล า, าเพราะงั้นอาตมาก็ดูไปดูไปมีอะไรพูดไปแล้วก็อธิบายไปเรื่อยๆมันมีเล่มแค่นี้อธิบายไปก่อนเสร็จแล้วก็ผานั่งมันอธิบายถึงไหนถึงเวลาจะนั่งก็นั่งประมาณสักตีห้าย่สีห้าจะผานั่งแล้วไปถึงตีห้าเราก็พักประโยชน์ของการเจริญอาณาปานสติ อาณากับอาปาณาน่ะอาณา então, อาปาณนาะแปลว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะ่อ now, อนนะอาณาอาณาหรือาปาณาเนะี่ยอาตมาจําไม่แม่นว่าอาณานี่มันลมหายใจเข้าอาปาณามันลมหายใจออกหรืออะไรกันนี่แหละหรืออัาศสาสะปัตสาสก็เหมือนกันนะ่ะอัาศสาสะกับปัตสาสก็หมายถึงลมหายใจเข้าอันนึงลมหายใจออกอั x, นหะนึ่ง กายไม่หวั่นไหวจิตไม่หวั่นไหวเรียกว่างามนอกงามในนะคาว่ากายไม่หวั่นไหวจิตไม่หวั่นไหวนั้นไม่ได้หมายคำว่ากายไม่กระดุกกระดิกแล้วก็เลยจิตก็ไม่กระดุกกระดิกด้วยเรียกว่าไม่หวั่นไหวไม่ใช่อย่างนั้นกายไม่หวั่นไหวหมายของว่ากายของเราก็อยู่ตามสภาพมันไม่ได้อที่จริงองค์ประชุมอ่ะ ถาวากันลึกๆแล้วมันหมายถึงองค์ประชุมไม่ได้หมายคาว่าร่างกายนี่อย่างนั้นเท่านั้นหมายถึงองค์ประชุมนะองค์ประชุมส่วนนอก อ, องค์ประชุมส่วนนอกที่เรารับอะไรอะไรนี่มันอยู่ในรูปแบบของมันอย่างดีมันอยู่ในวงจรมันอยู่ในการเป็นไปการเคลื่อนไหวหรือว่าการดําเนินบทบาทของมันได้สัดส่วนได้สภาพที่ดีไม่แปรปรวน ไม่ออกนอกวงโครจรไม่พลิกแพลงไม่ออกนอกเส้นทางหรือว่าออกสภาพออกจากสภาพที่มันไม่ไม่อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบมันอยู่ในระเบียบเรียบร้อยดีเรียกว่าอย่างนั้นถูกกว่านะกายก็ดีจิตก็เป็นจิตที่แข็งแรงเป็นจิตที่มีปัญญามีอะไรรู้อย่างดีไม่บกพร่องไม่มีอารมณ์สรุปง่ายๆถ้าจิตแล้วก็สรุปไปได้ถึงที่สุด จิตไม่วันไหวก็คือจิตไม่มีอารมณ์อะไรที่มีกิเลสเข้ามาแทรกได้เลยจิตไม่วันไหวจิตไม่แปรปรวนเป็นจิตที่แข็งแรงเป็นจิตที่ใสสะอาดเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สมบูรณ์ทำงานได้เต็มที่ทําหน้าที่ของจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใครจะมีบุญบารมีจิตจะมีสมรรถภาพเท่าไหร่ไม่เท่ากันพระอาหารหันต์แต่ละองค์ก็ไม่เท่ากันพระอาหารหันตุกองค์มีจิตที่ว่างจากกิเลสทุกองค์แต่ประสิทธิภาพของจิตปัญญาที่มีความสามารถทางเฉลียวฉลาดก็ดีนะทางเฉลียวฉลาดทางรอบรู้จะเป็นเชิงจาจะเป็นเชิงคิดจะเป็นเชิงปฏิภาณอะไรก็ตามใจเธอไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นก็ทํางานได้เต็มที่จะเก่งเท่าไรก็เท่าที่พระอรหันต์ที่มีบุญบา ร, รมีแต่ละองค์นั้นชั้นใดเราไม่ใช่อรหันต์เราก็มีประสิทธิภาพทางจิตเหมือนกันแม้จะช่งไม่อรหันต์แต่เรถ้าเราทําฌานในช่วคราวฌานไม่มีนิวรณ์ชั่วคราวเราก็มีจิตทํางานได้เต็มที่เหมือนกันทีนี่มันมีความไม่แข็งแรงอย่างสมบูรณ์มันก็อาจจะหวั่นไหวได้ ขณะใดาที่เราทำงานได้เต็มที่ตามประสิทธิภาพของจิตของเราแล้วไม่หวั่นไหวนั่นแหละเรียกว่าจิตไม่หวั่นไหวนมันเป็นชั่วคราวก็ชั่วคราวถ้าเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่หวั่นไหวตลอดเพราะไม่มีความวุ่นวาบอะไรมันไม่กลัวมันไม่ทุกข์มันไม่อะไรอาวรห่วงหาอะไรมันไม่่ะนนั่นเรียกว่าจิตส่วนกายก็คือสภาพองค์ประกอบทุกอย่างะมันไปใน ระบบระเบียบของมันอย่างสงบเรียบร้อยเรียบรื่นง่ายงามสันตินั่นแหะเรียกว่ากายไม่หวั่นไหวดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะอบรมทำให้มากซึ่งสมาธิมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์นี่วงเรียกว่าานาปานสติสมาธิกายย่อมไม่หวั่นไหวจิตย่ไม่หวันว่นไหว มัาจจะหมายความว่ากายร่างกายก็ได้ด้วยนะเป็นองค์ประกอบของกายมันไม่หวั่นไหวอะไรมันก็อยู่ของมันได้สบา ย, ยางั้ยน่ะนะนี่ก็พูกลมรวมนะเป็นคํารวมถ้าเราเข้าใจกว้างอย่างที่อาตมาอธิบายแล้วเมื่อก่อนตรัสรู้ทรงเจริญอาณาปานสติมากอาตมาเหมือนกั น, เ, นเล่นมาก่อนที่จะมาทํางานาศาสนาอย่างที่เรียกว่าเข้าใจาศาสนาอย่างสมบูรณ์เนี่ย อย่างดีแล้วแล้วก็มาทํางานศาสนาเนี่ยอาตมาก็เล่นอาณาปานาสติมามากมายนั่งหลับตาอาตมาไม่เล่นกระสินอื่นนะไม่เล่นนะเพ่งดินเพลงน้ําเพลงไฟเพงลงลมเพลงอะไรไม่เล่นเคยลองเหมือนกันนะเอาเทียนมาจุดดูโอ้ไม่หนุกแล้วก็เพลงไฟเปลวเทียนอะไรอย่างนี้เคยเคยเหมือนกันเคยทําบ้างแต่ไม่เล่นไม่เอาลองว่ามันไม่อะไรก็มัน ลมหายใจเข้าออกมันสบายอยู่แล้วก็ใช้ลมหายใจเข้าออกมาแต่ไหนแต่ไหนนะไม่ไม่มันไม่ยากพอเล่นชำนาญแล้วก็ไม่ยากลมหายใจเข้าออกแล้วยิ่งมาประกอบมามาเล่นแบบพิยีศาสตร์สะกดจิตมองจุดใดจุดหนึ่งเพลงจุดนั้นนิ่งดิ่งแล้วพับเหมือนกับอันนี้คล้ายคลยกับศีลเหมือนกันนะจุดอะไรก็ได้นิดนึงแล้วก็แล้วหลับตาเข้าไปมันก็ เป็นอุกหานิมิตเป็นสิ่งที่เรากําหนดนิ่งหนึ่งแล้วก็เข้าไปได้เหมือนกันไล่ลมให้ใจเขาออกจะว่ากสินก็เออวิทยาศาสตร์แบบนี้อัตมาเล่นแต่ไม่ได้กําหนดเราเป็นไฟเป็นดินเป็นหน้าเป็นอะไรก็ได้มองถ้าเวลาจะมองค่อยๆมองเหนือสูงขึ้นไปกว่าระดับตาหน่อยเพ่งเพ่งดิง่งนิ่งแล้วก็หลับตาปับแล้วก็จะมันจะเป็นสมาธิง่ายนะ ใครเคยเรียนมานี่เคยเรียนพรทั้งสายทั้งทันตแพทย์นี่หมอประพันธ์ก็เคยสอนนะอ่หมอประพันธ์เนี่ยจะเล่นทางท่านทันตแพทย์อาตมารู้จักคนทั้งที่อื่นๆศิริราชก็มีหมอจรูนทางโรงพยาบาลโรคจิตก็มีหมอวิเชียนอาตมาอยู่ในวงการนี่ก็รู้วงนี้เล่นสะกดจิตทางนั้นอ่ะหมอวิเชียนในโรงพยาบาลพวกพวกโรคจิตถ้าหมอธรรมดากับหมอจรูนทางทันตแพทย์กับหมอประพันธ์พวกเนี้ เล่นสะกดจิตเล่นอะไร อ, อะไรกันมาเนี่ยคลุกกันอยู่อย่างนั้นอ <_ EN> ่ะไปเฮลโลโหลาเล่กันไปในแต่ก่อนนี่ก็ทําอย่างเนี้มีวิธีการแต่ก่อนนี่มีเป็นตําราเป็นเล่นมาตมาให้เข้าไปหมดแล้วอแจกเข้าไปหมดแล้วไม่เอาไว้เป็นอะไรตอะไรเนี่เอาไปให้ตะใครตะใครหมดให้ใครให้ธนากอนึรือไงจําม่แม่นดูเหมือนจะให้ธนากรธนากรนรา ม, มานันันดูเหมือนจะให้เขานั่นไป สลายพวกเกี่ยวเขาสะกดจิตเรืงดับพวกอะไรพวกนี้อทีนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายแม้ตัวเราในสมัยก่อนจะตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์ผู้ยังมิได้ตรัสรู้นะก็ขออธิบายตรงนี้อีกนิดหนึ่งที่บอกว่าก่อนตรัสรู้นั้นนะพระพุทธเจ้าถ้าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะสัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ตรัสรู้เป็นโสดาบันไม่ใช่ตรัสรู้เป็นสกิทาคามี ตรัสรู้เป็นโสดาบันก็เป็นอันหนึ่งของการตรัสรู้ซอยไปยิ่งกว่า น, นั้นเกิดญาณตรัสรู้แม้แต่ในธรรมะแต่ละเรื่องแต่ละแต่ละคราวก็เป็นการตรัสรู้รู้ความจริงตามความเป็นจริงในรอบของฌานแต่ละฌานก็ตรัสรู้มีญาณทัศนวิเศษเห็นของจริงตามความเป็นจริงคราวใดคราวหนึ่งที่คุณเองคุณตรัสรู้ในการทาําฌานแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นฌานนั้น นั่นคือการตรัสรู้จิตในขณะนั้นเป็นญาณจิตในขณะนั้นเป็นโพธิจิตในขณะนั้นตรัสรู้ของจริงตามความเป็นจริงว่าไม่มีกิเลสไม่มีนิวรณ์จนกระทั่งคุณจะมีเหตุมีปัจจัยอะไรคุณจะลดกิเลสลดได้จริงลดได้ชั่วคราวลดได้ถาวรลดจนกระทั่งได้สนิทเด็ดขาดถอนอาสวะคุณก็ตรัสรู้เหตุแต่ละเหตุแต่ละเรื่อง ตรัสรูส้สังสมไปจกระทั่งเข้ารอบได้ว่าเราได้มีสิ่งที่ได้สังสมการละกิเลสได้ประมาณนั้นแล้วเป็นพระโสดาบันคุณก็ตรัสรู้โสดาบันได้มากขึ้นลดโลภลดโกรธลดห ล, ลงลดโมหะลงไปอีกไปอีกได้รอบอีกตรัสรู้ขนาดนั้นอีกเออขนาดนี้เป็นสกิทาคามีก็ไปตรัสรูส้สกิทาคามี ได้รอบจนกระทั่งสังโยธามันหมดไปเหลือสังโรดสูงเป็นอนาคามีคุณก็ตรัสรู้อนาคามีตรัสรู้อนุสัยอาสวะสิน้นไม่เหลือเลยเป็นอรหันต์คุณก็ตรัสรู้อรหันต์ทีนี้จะตรัสรู้โพธิสัตว์ในระดับของโพธิสัตว์ไปก็เป็นตรัสรู้โพธิสัตว์จนกระทั่งจะตรัสรู้อย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่าแต่ก่อน จะตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ท่านก็คือเป็นโพธิสัตว์ตามของท่านนั่นแหละแต่ละฐานะซึ่งไม่จำเป็นจะต้องพูดกับคนที่ไม่ได้อยู่ในเกรดเดียวกันไม่ต้องมาบอกว่าเนี่ยวิชานี้เรียนได้ยังนี่กี่ยูนิตนี่ทานี่ได้กี่ยูนิตคราวนี้ก็คนที่อยู่ในชั้นเรียนเดียวกันอยู่ในอะไรคันเขาก็พูดกันได้ไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องกูจะไม่พูดอะไรกันแล้วกัคนนอกวงการ นอกวิชาการนอกระดับที่จะรู้กันเขาก็ไม่พูดนะเพราะงั้นคำว่าตรัสรู้นี้ตีถัวง่ายๆว่าก็ตรัสรู้ตัวเดียวเท่านั้นแหละคือเป็นพระพุทธเจ้าคําว่าตรัสรู้ของเขาเป็นพระพุทธเจ้าตัวเดียวแต่ของเราเนี่ตรสรู้เยอะเพราะงั้นคําว่าตรัสรู้เขาก็เลยว่าก่อนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์นะก่อนจะตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตรัสรู้เพราะจะตรัสรู้ก็คือตัวเดียวครั้งเดียวเป็นพระพุทธเจ้าเลย เขาก็เลยเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะตัดสู้คนอื่นไม่มีใครตัดสุ้เพราะฉะนั้นในตราบใดที่ยังไม่ได้ตัดสุ้เป็นพุทธเจ้าถือว่าเป็นโพธิสัตว์อยู่ตลอดกาลนานและไม่มีโพธิสัตว์อันเดียวขั้นเดียวนี่มันก็พูดกันไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นคำว่าโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้านี้แสดงว่าท่านยังไม่ตัดสุ้นั้นคือยังไม่ตัดสุขเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสู้ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมทำเป็นเครื่องยืน นี้โดยมากคืออาณาปานสติเนี่ยนะเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้โดยมากกายของเราก็ไม่ลำบากตาของเราก็ไม่ลำบากและจิตของเราก็พ้นจากอาสวะเนี่ยฟังดีๆนะในขณะที่จิตของเราก็พ้นอาสวะนี่ก็เพราะว่าท่านทำอาณาปานสติถ้าพ้นอาสวะพูดพ้นอาสวะแล้วมันเป็นผเป็นใครอะอ่ะประเดี๋ยวก็ว่ายังไม่ตัดสรูรประเดี๋ยวก็ว่าเป็นพระอาหารหัน พอแล้วก็เมาเท่านั้นเองถ้าเราไม่เข้าใจแม่นแเห็นไหมเ น, น, นี่ยภาษาอยู่ในเนี่ยมันจะคานแยงตัวมันเองใช่ไหมและจิตของเราก็พ้นจากอาสวะนะเอ๊พ้นอาสวะแล้วก็ตัดสั้แล้วสิก็บอกว่ายังไม่ตัดสู้นนะเราก็อาศัยนี่เป็นวิหารธรรมเอ๊วิหารธรรมแล้วทําไมเราก็บอกตัดสั้นี่มาเนี่ยบอกว่าพ้นอาสวะนะเมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้โดยมากเพราะงั้นเมื่ออยู่ในความเป็นอยู่อย่างนั้นมีอานาปานสติ บอกว่าไม่มีอาสวะอา้าวตอนนั้นก็เป็นพระอาหารหันต์แลสิเป็นอาหารหันต์ัสมาสัพพุทธเจ้าแล้วสิแต่ที่จริงยังไม่ใช่มาถ้าเราไม่สับสนแล้ว ก, ก็เราจะไม่งงอะไรก็บอกตอนนี้จะรู้ตรง น, นี้บอกแล้วเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าในขณะที่เป็นฌานก็ตัดสรุ้ฌานได้ถ้าฟังนี้แล้วไม่ขัดอะไรใช่ไหมนี่ฟังนี้ถ้าบอว่าถือภาซื่อบอกยังไม่ได้ตัดสรู้แต่พอมาบอกว่าจิตพ้นอาสวะเอ๊ยคนพ้นอาสวะนี่มาตัดสรุ้แล้วนี่มันจะเมาแล้วมันจะงง ท่านพูดเองไหมเนี่ยถ้าเป็นอาตมาพูดเนะเขาบอกว่าขานแย้งตัวเองแต่นี่พระพุทธเจ้าตัดไว้เถียงไม่ออกและเขาเข้าใจอย่างที่เราพูดไหมที่เราพูดกันเราเข้าใจแล้วเราหมดปัญหาแต่เขาเข้าใจอย่างนี้มหมไปถามเขาจริงๆเถอะคุณว่าคำว่าพ้นอาสวะกับคำว่ า, าตัดสรูนี่อันเดียวกันห เอาแล้วทำไมอยู่ประเดี๋ยวเดียวก็บอกว่ายังไม่ตัดสรุปประเดี๋ยวเดียวก็บอกว่าพอเรามีวิหารอาณาปานาสติเราก็ตัดสรุแล้วก็เรียกว่าสำเร็จแล้วสิแต่เปล่าประเดี๋ยวก็ออกมาใ ห, หมประเดี๋ยวก็ออกมานี่ไมเขามาอยู่ในชานอยู่ในชานแบบนี้น ะ, ะและจิตของเราก็พ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นโดยอุปทานเพราะเหตุนั้นแลภิกษุทั้งหลาย ถ้าพิสษุ์ พ, พึงหวังว่ากายของเราพึงไม่ลำบากตาของเราไม่พึงลำบากจิตของเราพึงพ้นจากอาสวะไม่ถือมั่นโดยอุปทานเธอก็พึงทําไว้ในใจซึ่งสมาธิอันมีสติกําหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์นี้ให้ดีนะลองก็ลองฝึกดูเป็นพระอาหารหันต์ชั่วคราวนะในฝึกตอนที่ไม่มีกิเลสนี่เป็นพระอาหารหันต์ชั่วคราวนะอย่างนั้นนะ ก็คงไม่สงสัยแล้วนะนี่เข้าใจกันมาเป็นระดับระดับระดับแล้วก็คงไม่มีปัญหาเพราะการนั่งอาณาปานาสติเข้าไปอยู่ในสภาพนั้นเขาถึงบอกว่าท่านพุทธทาสว่าวเหมือนกันว่าเป็นนิพพานลำลองนะเป็นนิพพานลำลองเป็นสภาพตัดสรูรนิพพานลำลองเมื่อตัดสรูรแล้วทีนี้นีก่อนตัดสรูรนะก่อนตัดสรูรก็มีความมีการพ้นอสาาวรรคในช่วงคราวนั้นเหมือนกันทีนี้ อาสวะอันนั้นเป็นอาสวะของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่อาสวะของคุณนะไม่ใช่อาสวะของโสดาไม่ใช่อาสวะของสกิทาไม่ใช่อาสวะของอรหันตธรรมดาอาสวะของพระพุทธเจ้าึุ่จจะต้องมีภพของท่านวะภพของท่านจะกว้างขนาดไหนโลกวิถูขนาดไหนก็ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเราหรอกโลกของเราที่ตัดสุดูเน่ยคือโลกใจในน้อยได้แค่กิเลสส่วนตัวนั้นโลกของโสดาก็แค่โลกโซดาเรียกว่าโสดาภูมิคือโซดาภพ สกิทาคามีพบก็เหมือนกันประกอบของเกิกิทาอรหันก็ของอรหันทั้งเราทั้งหมดกิเลสของเราทั้งหมดที่มีอยู่เราก็ให้มันพ้นภพพ้นภูมิของเราเนี่ยภพที่มันเป็นภพเป็นภูมิกิเลสของเรานี่ให้ได้ส่วนจะไปรวบรวมอะไรอีกถ้าจะสร้างพบที่ใหญ่ตัวเป็นพระโสดเป็นพระอรหันตธรรมมาสมุทธเจ้านั่นก็ไม่ต้องไปสงสัยกระทันให้คุณสอบผ่านซะก่อนเถอะนะ สอบผ่านเป็นขั้นขนไปแล้วเราอยากจะไปเรียนนะนี้ก็ไปเรียนเมื่อตัดสู่แล้วก็ทรงอยู่ด้วยอาณาปานาสติโดยมากนี่ก่อนตัดสู่ก็ใช้อย่างนั้นทีนี้อยู่เมื่อตัดสู่แล้วลําดับนั้นพระภูมิยภาคทรงออกจากที่เรนในปาอิจฉานังคละเมื่อล่วงเวลา3เดือนแล้วจึงตรัสกระพิกษุทั้งหลายว่าดูกระพิกษุทั้งหลาย ถ้านักบวชเจ้าลัทธิอื่นพึงถามอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมอยู่จำบรรษาโดยวิหารธรรมอะไรโดยมากทา่ทานทั้งหลายพึงตอบว่าพระผู้มีพระภาคอยู่จำบรรษาด้วยสมาธิมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์โดยมากเพราะบาอยู่กับตัวเพราะฉะนั้นสมาธิของพวกเจ้าอื่น เขาจะบอกว่าอยู่วิหารธรรมวิหารธรรมคืออยู่เป็นสุขนะสุขเขาวิหารธรรมเรียกเต็มๆก็เรียกสุ ข, ขวิหารธรรม <S <S <an> คือเป็นสุขด้วยฌานนี่เป็นภาษาที่เขาพูดกันทั่วไปนะเป็นความสุขเป็นความพ้นทุกข์อย่างสนิทถ้าเขาจะถามของเราบ้างเราก็มีอย่างเขาเหมือนกันของพระเจาะ้ทเาท่านก็บอกงี้ของเราก็มีอย่างเขาเหมือนกันนะอยู่ในวิหารธรรมอย่างนี้ถ้าเขาถามก็บอกเขาตรงบอกว่าไอ้ที่คุณมีฉันก็มีจะดูด ว, วิหารธรรมอะไร อันเดียว น, นั่นน่ะแหละแต่อันอื่นที่พิเศษอย่าพึงเพราะพระพุทธเจ้านี่แหมท่านจะต้องปริประนอมเจ้าจะต้องไม่ให้เขามารกมารบซะ ก, ก่อนไม่ให้เขามาถกมาเถียงก่อนไม่งั้นเอาเวลาไปเถียงกันไม่ไมาท่านไม่ท่นได้สร้างอเอาเวลาไปเถียงกันแล้วยุ่งกันไปหมดอัตอมาทํางานนี่นะตอนแรกๆเหมือนกันแหละทำงานอย่างนี้มาแต่ต้นเนี่ยเขาบอกเหมือนกันมาเลยนะเหมือนเหมือนมาเลยนะว่าเคร่ง นังหลับตาอะไรมาเหมือนกันเลยนะมามาพาทําอะไรได้รพวกเรามาแล้วพวกเราอาจาบาก็สอนพวกเราก็ค่อยให้เป็นสมาริยมักมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆแต่ดูข้างนอกเนี่เหมือนกันเลยก็ททางฤษีทางด้านโน้ น, นสายเน่ยเหมือนกันเลยใหม่ๆนี่นะมีผิดแปลกเมื่อกินบางสาิ่งบิ่งตอนแรกก็ก็พยายามเอาอันนั้นมานําหน่อยหนึ่งน้องนัานมันเหมือนเขาก็ ตายใจวะเออใช่แล้วมาดีไปดีไปดีแล้วพอไปดีไปดีเรื่อย ๆ, ๆขณะสมเด็จพระมหาวระวงศ์เนี่ยบอกกุปชารธรมาบอกอย่าปล่อยไปนะอย่าปล่อยให้ออกไปนะดูท่าทีเก่งะดูท่าทีดีสมเด็จมหาวีระวงศ์วัดมหาวัาววดพระรีมหาธาตุธรรมยุทธ์ทางโน้นเสร็จแล้วก็มามามาม า, มาตมาก็ชักมี ปีก้าค้าแข็งขึ้นมาชักจะออกไลนยขึ้นมาเรื่อยๆรื่ยๆออกลายขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆออยเืย ๆ, ๆถ้าไปหือหวาตอนแรกตูมแล้วก็เปิดแผะออกมาอย่างนี้หมดเลยนี่นะเขาเอาตายตรง น, นู้นแล้วเรียบร้อยหมดแล้วโรงเรียนอาสวไม่มีเกลี้ยงไปตั้งแต่นู้นแล้วไม่เหลือเพราะฉะนั้นทําไมคามําถามที่เขาถามถามอยู่ทุกวันนี้ว่าเขาถามด้วยเราก็ถามด้วย ทำไมล่ะว่าไม่ดีทําไมปล่อยมาได้ตั้งสิบปีทําไมปล่อยมาตั้งสิบปีไม่ใช่ปล่อยหรอกเผลอไปเมื่อรู้ก็สายเสร็จแล้วหรือเมื่อรู้ก็สูงเสร็จแล้วอะไรก็แล้วแต่เมื่อรู้มันก็ไปอย่างนั้นแล้วอัตมาก็ทําอย่างอัตมานะนี่ก็บอกให้พวกคนรู้เราจะเอาไปคุยโม้มากเลยเดี๋ยวมันน้ามันใส่ก็บอกมาดูพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องระวังเนี่ยพวกแล้วนะ ไม่ใช่มีพูดที่จะมาปราบไม่ใช่มีพูดที่จะมาเหนือชั้นอะไรขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นก็อาศัยเวลาเหล่านั้นเขาอย่าไปไหวตัวอะไรเราสร้างหมู่สร้างกลุ่มก่อนสร้างไปได้มีฐานมีอะไร ก, ก็ค่อยมันจะเห็นชัดขึ้นเองอะ่ะพยายามไม่เปิดแต่มันก็จะเปิดเผยตัวขึ้นมาของมันเองเพราะฉะนั้นถึงมาพอมารู้ตัวเฮ้ยไอ้นี่มันลายไม่ใช่ลายเสืออย่างเรานี่หว่ามันเป็นลาย หลายอีกอย่างหนึง่งม่ใจ่เสืออย่างที่เราเป็นตอนแรกนึกว่าจะเป็นลูกเสือเหมือนกันลายเหมือนกันตอนแรกอ้าวมันลายมันออกมาโตแล้วไม่ใช่เว้ยพอรู้ตัวก็ตายเคี้ยวงอกแล้วเลยบอกไ อ, อย่าในลมยากอะไรนี่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติอย่างนะั้นวิธีการนะบอกเอาไว้เพื่อคุณจะไปเป็นเจ้ารัติต่อไปในอนาคต <c oughs> อริยะ อ, อริยวิหารพรมวิหารตถาคตวิหารวิหารก็คือเครื่องอาศัยเครื่องอยู่นะโดยกระพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลเมื่อกล่าวทาใดใดโดยชอบพึงกล่าวว่าอริยวิหารนะคือธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้ากล่าวว่าอริยวิหารบ้างพรมวิหารบ้างตถาคตวิหารบ้างนะพรมวิหารก็คือธรรมะเครื่องอยู่อย่างพรมนะ ธรรมวิหารพระพุทธควิหารก็ทำเป็นเครื่องอยู่อย่างพตท ธ, ธคตบ้างผู้นั้นเมื่อกล่าวถึงอาณาปานสติสมาธิโดยชอบก็พึงกล่าวว่าอริยวิหารบ้างพรหมวิหารบ้างตุทคดวิหารบ้างดู่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดยังเป็นเสขะยังมีได้บรรลุอรหัตผลเมื่อปรารถนาธรรมอันยอดเยี่ยมอันปลอดโปร่งจากโยคะอยู่สมาธิ ที่มีสติ ก, กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันพิสูจน์เหล่านั้นเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะน ะ, ะถ้าบอกว่าเรามีพื้นของอาณาปานาสติแล้วนะมีความเข้าใจและก็ทำได้อริยวิหารมันจะเป็นอริยวิหารก็ด้วยเป็นพรหมวิหารพรหมวิหารอริยวิหารพรหมวิหารตถาคตวิหารต่างกันโดยคุณภาพนะ ถ้าจะว่าอริยวิหารเป็นเชิงปัญญาพรหมวิหารเป็นเชิงของเจโตก็ใช้ได้นะตะถาคต ร, ร, รวมเลยวิเศษสมบูรณ์นะตะถาคตวิหารเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเพราะฉะนั้นจะว่าอาณาปานสตินี้มาเป็นหลักว่าเราย่อมมีสมาธิกาหนดลมหายใจนี้เป็นฐานอาศัยเป็นวิหารธรรมก็เป็นวิหารธรรมได้แล้วง่ายทาช่าชองแล้วก็ง่ายกำหด หยุดง่ายจนกระทั่งไม่ต้องลึกก็ได้ใหม่ๆทำใหม่ๆแรกๆยังเป็นนักเรียนใหม่ๆนี่มันจะดูลึกเข้าก็ช้านานพอเข้าไปแล้วจะออกก็นานพอเก่งเข้าแล้วเข้าก็เร็วออกก็เร็วเก่งจริงๆไม่ต้องเข้าต้องออกแล้วมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละ จะเข้ามันก็เหมือนไม่ได้เข้าจะออกก็เหมือนไม่ได้ออกยิ่งเป็นพระอหหรหันต์หรือเป็นพระอริยะที่เจโตสมถะเป็นพื้นฐานด้วยแล้วก็ทําได้จะเข้าพระภัยไปเป็นสมาธิเข้าไปนั่งจะต้องฝึกเหมือนกันนะถ้าเรื่อๆไม่ฝึกบ้างเลยมันก็ไม่เป็นแต่ถ้าเผื่อว่าเอาโดยสมบูรณ์แล้วจิตไม่เป็นนิวรณ์แล้วพระอรหันต์เจ้า ก, ก็ไม่มีนิวรณ์ตลอดกาลนานเพราะจะต้องเข้าต้องออกตรงไหนอะถ้าเราเข้าใจแล้วว่าตอนเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นฌานเนี่ยก็คือการไม่มีนิวรณ์ในจิต พระอรหันต์เจ้าก็ไม่มีนิวรณ์แล้วทุกองค์นแหละจะเป็นพระอรหันต์ที่นั่งเจโตสมาธมาหรือไม่ก็าตามไม่นั่งเจโตสมาถธมาก็ไม่มีนิวรณ์อยู่ดีแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในภวังต้องเข้าไปในภวังแล้วก็ถึงค่อยไม่เป็นสภาพหลับเป็นการเปิดสติเต็มแล้วก็ตัดหูตาจมูกลิ้นกายไม่รับรู้ไม่ใช่ทาานอน ถ้านอนพระอระหันต์เจ้าทุกอง์ก็ไปด้วยกันหมดทุกองค์สบายสบายทั้งนั้นแต่ถ้านั่งนี้ทําไม่ได้ฝึกมันก็นั่งไม่คอยอยู่วะถ้าเผืไม่ได้ฝึกอย่างนี้เป็นต้นนะสรุปแล้วก็อาณนาะปานสติ น, นั่นแะจะเรียกอริยวิหารเรียกพรหมวิหารเรียกตถาคตวิหารก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของฐานะนะเพราะงั้นท่านก็พูดเผื่อถ้าเราไม่ใช่ตถาคตเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราก็มีอริยวิหารเราก็มีพรหมวิหาร ตามคุณภาพของคนแต่ละคนแต่ละฐานะตามความเป็นจริงนะสรุปแล้วง่ายง่ายงี้แกวิเครื่องอาศัยพระอรหันตเจริญณ า, าปานสติทาไมาทีนี้เจริญทาไมดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายพิสุท์เหล่าใดที่เป็นพาาระอรหันตขีนาศบู่จบพรหมจรรย์แล้วมีสิ่งควรทำอันได้ทาเสร็จแล้วมีภาระอันวางแล้ว มีประโยชน์ส่วนตนอันได้บรรลุแล้วสิ้นกิเลสเป็นเหตุมัดไว้ในภพแล้วพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอาณาปานสติสมาธิอันภิกษุเหล่านั้นเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นมันจะอนุเคราะห์แม้เป็นพระอาหารหันต์แล้วถ้าได้ฝึกเจโตสมสถะแล้วบางทีมันเหนื่อยนะคุณ วับไม่ต้องไปนอนนี่นั่งปุ๊บอยู่ที่นี่ก็ได้คุยกับคุณไปก็ บ, บอกว่าเดี๋ยวนะถ้าคุณฝึกทำชองคุณก็ได้ไปอาศัยเป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวเป็นเครื่องอาศัยสุขวิหารธรรมท่านเรียกว่าเจโตสมถะเรือว่าอนาปานาสติเนี่ยเป็นสุขวิหารธรรมเป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวนะเพื่อความเป็นอยู่สุขในปัจจุบันคือมัน มันว่างหมดเลยมันพักได้มันสบายมันต้องไม่ต้องทำงานชั่วคราวถ้ามันเมื่อยมากๆ ม, มันเพลียมันอะไรนี่นะก็ต้องหยุดใช่ไะแล้วอยู่ก็หยุดปรับถ้าคนที่ฝึกได้ด้วยมันก็ปรับแต่คนไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ฝึกได้ด้วยโอ้ดีไม่ต่อยอีกทีที่ปลุกเสต่อยอาตมานิวโป่งเลยจะนี่มันต่อยไม่ทัน แล้วคนที่ไม่ได้ฝึกเจโตสมถะมันก็ไม่ได้เพราะงัน้นพักก็ต้องขอเวลานอกนอนหน่อยเป็นพักเป็นนอนไปพักไปหยุดแล้วไม่ก็พิงฝาเลยแต่นี้ไม่ต้องพับมันก็จะเป็นการใช้ไม่ต้องเพราะทรงตัวหัดทรงตัวหัดตัดหัดหัดตัดถานทั้งหหัดอะไรต่ออะไ ร, ะไรนี่มีอยู่ในผวร์ได้อย่างในรูปทรงที่ดียิ่งทําได้เก๋เท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยเก๋นะ อย่าไปกวนท่านท่านกําลังนิโรธกำลังอยู่ในนิโรธสมาบัติจริงๆเขาก็ถือนิโรธสมาบัติขึ้นดับวิหา r ธรรมกัน ท, ท, ท่านถึงอยู่ถือว่าสุขนี่เป็นฌานเพราะฉะนั้นสมณะนี่จะเป็นสุขถือว่าสุขที่สุดเพราะมันว่างที่สุดไม่ต้องทํางานอะไรเลยซึ่งเขาพูดกับพวกเรานี่ตั้งเท่าไหร่ล้วบอกว่า ไอคนเราเราลงไม่เด็กทาอะไรอยู่ว่างๆที่สุดแล้วมันเบาที่สุดเงาะจริงที่สุดเบาที่สุดง่ายที่สุดแล้วมันก็สบายสบายแบบง่ายๆใครก็เข้าใจมันจะเป็นสุขวิหารธรรมก็ด้วยฌานอย่างนี้สมณะจะมีอันนี้ใครเถียงไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าก็เถียงไม่ได้ใครจะมาเถียงก็ไม่ได้ทุกคนต้องเข้าใจแต่นั่นแหละก็ไม่ได้หมายความว่าคนเราจะเอาใจนั่งอยู่ว่างๆอย่างนั้น เป็นวิหารธรรมที่เมื่อเราได้ฝึกมาแล้วเนี่ยเราทำงานไปด้วยเราก็อาศัยไปด้วยเป็นวิหารธรรมที่ซ้อนซ้อนในขณะที่เราทำงานเนี่ยได้อย่างดีเอาเอาอีกอันมันเลยเวลาไปนิดนึงก็เอาอีกอันท้ซ ะ, จะเจริญธรรมอย่างเดียวชื่อว่าจเจริญธรรมอย่างอื่นอีกมากดูกระ อ, อนนท์ทำอย่างหนึ่งคืออาณาปานาสติสมาธิอันบุคคลจเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานสี ทำสติปัฏฐาน4อย่างให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพธชงเจดอย่างให้บริบูรณ์โพธชงเจอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาวิมุตติให้บริบูรณ์เพราะฉะนั้นอาณาปานาสิจึงเป็นองค์ประกอบที่เอื้อให้เกิดสติปัฏฐานสเอื้อให้เกิดโพชิชงเจ็ดเป็นอิทัพปัจจยตา เป็นอิทธิปยตาต่อเนื่องทําให้เกิดอาศัยได้นะจงเห็นอนิสงค์ของมันอาณาปานาสตินั้นทําให้เราเกิดสติปัฏฐานสีได้ดีให้บริบูรณ์ได้ทําให้เกิดโพชฌงเจ็ดได้ดีได้เพราะฉะนั้นอันนี้จะอุปการะจริงๆน่าจะทําให้เราเกิดสภาพที่เจริญด้วยสภาพต่างๆดังกล่าวนั้นเอาละ เวลาอาตมาอธิบายเนือ้อหาของอานาปาณสติไปก็คงจะต้องมาพูดถึงยกตัวอย่างในสูตรต่างๆที่เอามาไว้ข้างหน้านั้นประกอบไปในตอนปฏิบัติตอนอธิบายถึงตอนนั้นตอนนี้ก็จะโค้งจะวกมาที่ตรงนั้นด้วยนะเมื่อทราบอา น, นิสงส์แล้วก็มาเริ่มต้นปฏิบัติกันดูนะแหมทําบรรยากาศให้มืดลงมันจะเป็นฌานหรือจะเป็นหลับกันล่ะมันน่าจะสว่างเนาะอ่ะ หยุดไฟโน่นหรือไงไฟตกกันสิก็เราไม่ได้ติดเครื่องไฟเหรออ๋อนะรถเครื่องก็ขาดข้องวเอ้า อ, อครูบาลังอครูบาลังนั่งขัดธมดามีบางคนก็ชอบนั่งขัดนั่ง ทับเพียบนะทับเพียบมันไม่ตรงนะนีในสัดส่วนอย่างนั้นนั่งขัตถมาเนี่ยเขาเรียกว่าคูบรรลังบรรลังเกณะนะบรรลังเกณะนั่งขัตามาขาซ้อนขาให้ดีๆซ้อนไม่ใช่วันนั่งให้มันเอมนั้นม า, มากเกินไปละมันมทีมันคับแคบอยู่ไปเดี๋ยวก็แต่มันไม่แคบแคบเท่าไหร่หรอกอาตั้งกายตรงดารงสติคงมัน่นโซโสโตะ อัสตสัตติสโตปสสติน น, นสั่งมาโดยเฉพาะามาจากอินเดียนะ <c oughs> นโซสโตวัอัตสติโซสโตสโตนี่คือสตินั่นเองสโตวะน่ะเธ อ, อย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ า, น, านั่งสติหายใจออกสติหายใจเข้านะหลังตรงคอตั้ง ตาหลับไม่ใช่ตาตกนะต้อ ง, ตงขอตั้งหลับตาตอนนี้หลับตาก่อนนะเล่นหลับตาก่อนแต่ก่อนนี้อาตมาพาให้ลืมตาแล้วมันยากกว่าจะเข้าฌานเข้าไปอยู่ในแต่ก่อนนี้อาตมาไม่ได้ตั้งใจจะสอนอย่างนีนะ้เพราะตอนนี้หลับตามันจะได้เข้าไปหลับหรือไม่หลับรู้ไอ้ตอนนีนะ้ทีขังวาอัศสันโตทีขังอัศซามีติประชานตินะ เธอนั้นหายใจออกยาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าหายใจออกยาวดังนี้ที่คังวาปัสสัสนปัสสันโตที่คังปัสซามีติประชานติเธอนั้นเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้สึกตัวทั่วถึงว่าหายใจเข้ายาวอ่อาดูอยู่ที่ลมหายใจหลับตาแล้วก็เอาจิตเอาสติเอาความรู้สึกมาจดจอ่ออยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียว ความนึกคิดอะไรมาอยู่ที่ลมหายใจหมดไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งนั้นนะอยู่ที่ลมหายใจดูที่ว่าเอออันนี้ยาวนะยาวแล้วยาวออกไปยาวออกไปเอาเข้าแล้วเข้าเข้าวนะข้านะยาวหรืออันนี้ออกไปสั้นๆแล้วเข้าสั้นๆนะออกสันส้นๆดูอย่างนี้นะดูที่ความสั้นยาวความออกความเข้าเท่านั้นนะรับสั่งว่าอัศรรสันโต สั้างอัศซสา่สามีติประชานติเมื่อเธอนั้นหายใจออกสัน้นก็ให้รู้สึกตัวถึงทวถึงว่าหายใจออกสัน้นรัดสั่งวาปัจสสั้นโตรัดสั่งปัจสซ่ามีติประชานติเธอนั้นเมื่อหายใจเข้าสัน้นก็รู้สึกตัวทวถึงว่าหายใจเข้าสัน้นดังนี้นีนส่สองข้อแล้วข้อที่หนึ่งมีสติมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าน่นาเป็นอันต้น มีสติระวังอย่าลืมว่ามีสติสติคืออะไรต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ว่ามีสติหรือว่าตอนนี้สติตกแล้วต้องเตือนตัวเองอย่างสําคัญเลยว่าสตินี่ต้องเตือนตัวเองอย่างสําคัญจะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็อยู่ที่ตัวสติเนี่ยเป็นตัวเอกถ้าสติมันตกตัวเองนั่นแหละสติตกแล้วตัวเองก็ไม่รู้ตัวหลับไปแล้วก็ไม่รู้ทีนมิท่าไปแล้วก็ไม่รู้พิจารณาอะไรไม่ออกทั้งนั้นนะ่ะ เพราะงั้นต้องสติจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีสติเรามีสติเรามีสตินี่เป็นข้อที่หนึ่งะเรามีสติยังหายใจออกอยู่ยังหายใจเข้าอยู่นะยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มีสติรู้ตัวมันไม่เข้าไปอยู่ในฌานไม่อยู่ไม่ใช่ไม่เข้าไปอยู่ในฌานไม่เข้าไปอยู่ในพวังช่างมันฟังดีๆนะ พยายามนะ่ะแหะมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นมันจะไม่เข้าไปอยู่ในผวังก็ะชังมันไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้ามันคงอยู่กับอันนั้นเห็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็พยายามดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปเป็นข้อที 2, енной, นะ่สองนี่เนี่ยหายใจออกสั้นก็รู้ว่ามันสั้นนะเออนี่สั้นนะอันนี้ยาวนะเล่นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นแหละเล่นอยู่เท่านั้นเรื่องเดียวเรื่องอื่นตัดทิ้งหมด เรื่องอื่นตัดทิ้งหมดไม่นึกไม่คิดใครจะเป็นใครจะตายาเขาจะมาทิ้งระเบิดปรมาณูกระช่งมั น, นอยู่กระลมหายใจเข้าออกนี่อย่างเดียวแล้วก็ดูว่าเออออกนะันี่ออกนี่เรียกว่าเข้านี่เรียกว่าสั้นนะนี่เรียกว่ายาวนะนี่อยู่ในข้อ2องออกเข้านะอยู่ในข้อหนึ่งทีนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นนอกจากออกเข้าเท่า น, นั้นก็ยังบอกว่านี่ออกยาวนี่ออกสั้นนะ มีเข่ายาวนะมีเข่าสั้นนะเพราะฉะนั้นถ้ามันออกสั้นมันก็เข่าสั้นมันออกยาวมันก็เข่ายาวอะไรนี่เป็นต้นก็ดูออกออกสัน้นออกออกเข่าเข่าสันส้นสยาวยาวเงี้ยดูเรือ่อยไปเนี่เป็นบทที่หนึ่งบทที่สองอย่าลืมนะบทที่สองนี่ก็ไอ้บทที่หนึ่งเนี่ยสำคัญกว่าบทที่หนึ่งสำคัญกว่าคือสติระลึกรู้อยู่เสมอว่ามีสติ ตกไม่ได้ความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตกไม่ได้ถ้าตกพรับเรวเดียวมันหลับปุ๊บเลยพอเราได้ยิ่งเก่งเลยนะไม่รู้ไปหัดมาจากไหนปุ๊บเดี๋ยวรหลับแล้วไม่สอนแต่มาทำไมเ ป, เป็นเก่งนี่มันแม่มันน่าเหลือใจจริงไม่ได้สอนสักหน่อยไม่รู้ไปออกมาจากไหนนะ ลับไว้รับเก่งได้ไอ้ที่สอนไม่ได้ไอ้ที่ได้ไอ้ที่ได้ไม่ได้สอนอย่าลืมสติเป็นเอกตัวต้นข้อที่หนึ่งจะต้องมีตลอดกาลนานจนถึงข้อ16ข้อที่หนึ่งจะต้องมีอยู่ตลอดไปหมดแม้แต่ข้อที่สองลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราก็จะรู้เนียนจะรู้ตามเนียนว่าเออเราจะรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ได้นะ ถ้าเพอเรียนถูกต้องไปถึง16ข้อแล้วเนี่ยถึงข้อ16คุณเป็นนิโรธแล้วกูยุ่ณก็จะเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกของคุณอยู่นั่นแหละแสดงว่าคุณไม่ได้เข้าไปในผวังเลยแต่ทำให้กิเลสมันหมดได้นิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีได้อย่างชัดแจ้งเพราะฉะนั้นจะเข้าไปสู่ผวังจะออกจากผวังจะเข้าสู่ผวังได้เร็ว ถ้าปฏิบัติอย่างช่ำชองนะเข้าๆออกๆเข้าออก ๆ, ๆ, ๆ, ๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นได้อย่างดีแล้วเหมือนกับมันไม่เข้าไม่ออกมันได้เร็วทันอกทันใจเอาดูสตินั่นก่อนนะเราจะอ่านให้ฟังไปเรื่อยๆอีกสองข้ อ, อนี่เรียกว่ า, า ana, กายานุปัสสนากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ข้สามสัพพกายาปฏิสังเวทีอัออสัจสิตสมีติสิกขิทีนี้ก็ศึกษาต่อสิกขินี่คือการศึกษาเธอย่อมนั้นย่อมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจกหายใจออกดังนี้ คำว่ากายทั้งปวงนี้ก็คือกองลมลมหาจะออกอายใจเข้าเท่านั้นแหละเราจะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจะหายใจออกดังนี้สับภกายยะปฏิสั่งเวทีปัสสะิะสะสทธิมีติสิทติเธอนั้นย่อมทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงจกหายใจเข้า ก็รู้ตอนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหาจะออกหายใจเข้าก็มีอยู่นั่นแหละปัดซ้มพยังขอดีสีปัดสัมพยังกายยสังขารังอัดสสิษฐามิติสิกขิเธอา น, นย่อมทําในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ระ ง, งับอยู่จากหายใจออกดังนี้ปัดซัมพยังกายยสังขารังปัดสะสิษามิติสิกขิ เธอนั้นย่อมทาในบทศึกษาว่าเราจะเป็นผู้ทํากายสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจเข้ามีสภาพมีสติหนึ่งสองรู้ว่าหายใจออกหรือเข้าสั้นหรือยาวประกอบกัน3รู้กายทั้งปวงคือรู้กองลมอยู่กับกองลมทั้งปวงนั่นเองอ นี่มีหมายเหตุมาถึงสาหมายเหตุว่าจำนวนพระตะปิดกฉบับ14ฉบับหวงข้อสิทั้งสิทั้งนั้นข้อต่างๆนี้มีจำนวนหลายๆจำนวนในพระตะปิดกนี้ใช้ใช้คําว่าพร้อมเฉพาะเนี่ยรู้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะเนี่ยว่าเป็นผู้รู้สมเนียกอยู่ว่ากายทั้งปวงจากหาใจเข้าหรือกําหนดรู้กายทั้งปวง หรือกองลมทั้งปวงนะเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะกองลมทั้งปวงจกหาจะออกหาใจเข้านะข้อสาข้อสทําให้ระ ง, งับลมของเราเนี่ท่านบอกว่าให้เพ่งดูให้มันว่ามันละเอียดนะมันละเอียดหรือว่ามันออกมันเข้าเราก็รู้ว่ามันจนกระทั่งมีผู้อธิบายต่อไปว่าเราดูชีว่าลมของเราลร้อนหรือว่าลมของเราเย็น นั่นแถมมีอาจารย์บางอาจารย์ก็บอกดูลมที่ลมมันละเอียดลมมันร้อนแล้ลมมันเย็นลมมันหยาบลมมันละเอียดซึ่งก็ดูกองลมนั่นเองปัดซ้ำพยังนไม้หอมมาสงบลงงับสงบลงงับก็จะเห็นว่ามันนิ่งมันสงบลงงับแล้วจิตของเราก็มีสติที่แข็งแรงตื่นอนนี้เป็นจตุกะที่หนึ่งนะกายานุปสัสกายานุ กายานุปัสนากายานุปัสนาสติปัฏฐานเอาแค่นี้แหละเอาแค่กายเนี่ยเป็นเบื้องต้นไปให้ดีระวังนะคอแรกเลยไม่เอาโงกว่วงไม่เอาลีซึมอะไรไม่เอาเท่านั้นต้องสติตื่นเต็มสติตื่นเต็ม เอาอย่างหลับตาตอนนี้ยังเอาย่างหลับตาตอนนี้ไม่ให้ลืมตาละลืมตาในแต่ก่อนนี่บอกให้ลืมแต่ตอนนี้เอาอย่างหลับตานี่แหละหลับตาแล้วไม่หลับนี่แหละหลับแล้วไม่หลับนี่แหละให้มันมีสติเต็มถ้ามันจะหลับต้องปลุกตัวเองขึ้นมาทันทีต้องมีสติมีสติต้องรู้นะว่าตัวจะหลับถ้าหลับลงไปแล้วมันไม่มีสติแล้วมันหลีลงไปแล้วมันมีสติแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มจะหลีนี่เรียกว่าตกละทีนามิธาละตกไปสู่ทินามิธาละ ถ้าเริ่มเจรีสติไม่เต็มร้อยเนี่ยถือว่าเริ่มแลสติตกล ง, งไป 99, เกบเกนี่ยจะเริ่มมีทีนามิถะเพรา ะ, ะนั้นไม่เอาต้องให้ตื่นเต็มแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้าผวังให้มันรู้อยู่ลมหายจใจเข้าออกอยู่นอะไรยังชัดชัอยู่งั้นในะยินนาตมาพูดเนี่ยยังไม่ต้องไปคิดถึงเวทนายังไม่ต้องไปคิดถึงจิตในบทต่อไปจะได้ตรวจสอบเวทนาตรวจถึงจิตตรวจถึงนิวรณ์ตอนนี้ไม่ถึงนิวรณ์นิเวศ อ, อะไรหรอก ตอนนี้ตรวจดูที่ลมหายใจดูว่าเราเองเราเพ่งลมหายใจได้จริงจริงไหมเราวอกแวกไปอื่นไหมเราง่วงไหมเมื่อไม่ง่วงแล้วก็ไม่ฟุง้งซ่านยังไม่ต้องไปพูดถึงกามไม่ต้องไปพูดถึงพยาบาทจิตที่มันจดจอ่อไม่ต้องนึกต้องคิดอยู่กับลมหายใจเท่านั้นก่อน พอตั้งหลังตรงขอตั้งหลังตรงพก ต, ต, ตัวเราด้วยว่าเรานั่งอยู่ในท่าไหนนั่งอยู่อย่างไรใช้กระแสของความรู้นี่พอรู้รู้ใช้กระแสที่มันจะพอรู้รตัวเองว่านั่งอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ว่ า, ามันั่งตรงหรือเปล่าให้รู้อยู่ให้มีสติ มีความรู้สติรู้ตัวทั่วพร้อมให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้าผวังเดี๋ยวต่ อ, ต อ, ตอไปทาจนแข็งแรงแนละ้วเข้าผวังแนละ้วจะเข้าผวังได้ดีแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ระวังไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าเรานั่งตรงไม่รู้ว่าเรานั่งเอียงอะไรเนี่ย เ, เขาไปผวงางไปเดี๋ย ว, วเอียงกระเทยไปข้างหน้าข้างหลังอะไรไม่ได้เรื่องหรอกรูปไม่ดตีต้องตรงให้ดีดวเวลาถึงเวลาที่ได้ที่มันจะเข้าสู่ผวังได้อย่างใส แล้วทุกอย่างจะพร้อมทั้งข้างนอกรูปนอกก็ดีรูปในก็ดีไม่ต้องเกรงตัวนั่งให้มันอยู่ในสภาพที่ตรงดีๆเท่านั้นไม่ใช่เกรงนะนั่งในสภาพที่ตรงดีๆอย่าเกรงเกรงแล้วเมื่อยนั่งตามรูปที่ดีของเราให้มันตรงให้ดีๆ โง่จะให้ตัวสายเอาดีๆหน้านะแงนา้าเดี๋ยวหลังล้มตึงยังไม่อยู่นะเคยมีบ่อยนัง่งตรงนงี้แล้วแงหน้าีาาา้บึ้บลงไปข้างหลังแล้วหัวฟาดเลยนะไม่ไม่อย่างแงหน้า คือกลัวว่าเราจะพงบลงข้างหน้าก็ เ, าเลยแงนหน้าขึ้นไปเลย น, นั่นน่ะจะยิ่งหัวฟาดยิ่งไม่ดีใหญ่ให้ตรงให้คอตรงนั่งแล้วนะ่ะมันไม่มีถีนะมิถะไม่มีง่วงไม่มีฟุ้งซ่านอะไรมากเท่านั้นแหละนะมันจะรู้สึกสบายละ โดยเฉพาะพู้ทีปฏิบัติมาเรื่องกามเรื่องพยาบาทอะไรไม่มากไม่มายแล้วเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยเออถ้าเราตรวจดูนิดนิดหน่อยห่อยกามเราก็ไม่มีนะตอนนี้ไม่มีอารมณ์กามอะไรไม่มีพยาบาทอะไรเพราะฉะนั้นมาต่อสู้ก็ต่อสู้กับไอตัวทีนมิทักับไอตัวฟุ้งซ่านนี่แหละมันถ้าไม่มีฟุ้งซ่านอะไรจิตก็เอออยู่ง่ายจิตก็อยู่นิ่งง่ายเป็นฟุ้งซ่านอะไรแล้วก็ไม่ตกไม่ตกเป็นทีนมิทันะไม่ตก อยู่อย่างตื่นอยู่อย่างแข็งแรงขนาดนั้นนะแค่นี้แหละคุณจะรู้สึกอารมณ์ได้แล้วว่ามันสบายมันสบายแล้วก็หมายความว่ามันไม่มีนิวรนนั่นแหละมันไม่มีสภาพนิวรนนั่นแหละอย่างน้อยก็เป็นนิวรนอย่างหยาบไม่มีนิวรนอย่างหยาบไม่ต้องยังไม่ไปตรวจเวทนายังไม่ไปตรวจจิตอะไรที่เป็นลึกๆเรไม่ต้องตรวจไปถึงขนาดนั้นแค่นี้ก่อน ถ้าเราทำได้เราจะเห็นว่าแค่นี้ก็สบายแล้วจะเห็นวิหารธรรมเป็นสุขวิหารธรรมที่แท้จริงเข้าใจได้เป็นสุขวิหารธรรมที่แท้จริ ง, เ, เ, รททรงเบามันง่ายมันสบายยังไม่ต้องถึงขั้นเข้าไปอยู่ในพอวังในขั้นเข้าไปที่เป็นสภาพลึกสภาพละเอียดเข้าไปอีกแค่ท่านั้นได้ไม่มีทีน้มิทะเนี่ย ตัวนี้แหละตัวร้ายลลองดูกะให้ดูเวลาเสร็จรายการเสร็จอะไรอะไรรลลีบไปนอนพักผ่อนให้ดีอ่าไม่งั้นแล้วก็พุท ธ, ธาพิเศษคราวนี้ละไม่งั้นตื่นเช้ามาเจโตสมถะมาถึงสมาธิอะไรสมานุกับกับเจ็ดวันงุบงับมาตั้งเจ็ดวันนี่เสียท่า วันนี้นะในเวลาเริ่มต้นลองดูจะเห็นได้ว่าบางคนจะได้รู้สึกว่าเราเองนี่พอนั่งหลับตาเข้าเท่านั้นแล้มันหลับเลยจะเห็นได้ชัดเอ๊ทำไมมันง่ายจังเลยนะอไม่ได้สอนสักหน่อยเลยวิธีนั้นนะไปเอามาจากไหนมันช่ำชองจังเลยไปฝึกฝนตั้งแต่ปางใดมาฝึกฝนมาหลายปางแล้ว ไอ้ไปติดหลับติดอย่างนั้นน่ะมากมายจริงๆนะเพราะงั้นเราจะต้องมาลองดูเจ็ดวันนี้เอามันให้ได้แตอย่างน้อยที่สุดไอ้ตัวถีนาะมิทห์นี่แหละเอามันชนะก่อนโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเข้าพวังก่อนให้มันได้ก่อนเลยอยู่งี้นะเพราะงั้แวบเอาแล้วพอเข้าพวางังแวบไม่เอาตื่นมนื่นี้ให้มันรู้ไม่ให้แวบแวบเข้าไปเพราะงั้นก็เข้าไปพวงังแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะมันจะไปใช้ได้อะไรนะอ่า มันก็กลายเป็นนั่งหลับไปทุกทีไปแย่กันพอดี